เริงพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามใครสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนากันได้วันนี้เราจะไปที่ขายก่อนอวันนี้จจมแมตตกับแจที่เข้ามาก่อนอ อันดีจะ้ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ว, anyway. ว่าอย่างไรครับวันนี้มาส่งกันบ้านเช่นเคยครับเอไวไเ่อว่าไปเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรา e <ะ>รมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆ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 จำไว้นะอย่าลืมนะเป็นข้อสอบของเราเลยครับทางกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรเราจะทุกขกับมันหรือไม่ถ้าเราทำการบ้านเราเห็นความจริงว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาห้ามมันไม่ได้ก็ต้องยอมยอมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ อันนี้จำไว้ก่อนอย่าลืม อ, อย่าลืมแล้วก็สอนใจว่านา่งกายไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้แล้ว เ, เฉยๆไว้ทำใจเฉยๆทเฉยถ้าไม่เฉยก็ไปฝึกสมาธิเยอะๆให้มันเฉยแล้วก็ศึกษาดูนา่งกายว่ามันไม่สวยงาม มันมีอาการต่า ง, างๆเช่นมีผมขนเล็วปันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองฉีสะน้ำดี น้ำเสลน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำใส่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำกส่ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้าเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำเสดน้ำดีเกี่ยวกับสมองสี่สับ อาหารเก้าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตัดหัวใจม้ามเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็กขนโอยจงไหมนะทุกครั้งดีมอนั่งกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครมองให้ครบทุกการณะ เราจะได้ไม่หลงไปไหลว่าเป็นนั่งกายที่น่าดูน่าชมแต่อย่างไรครับอืบมมีอันนี้นั่งสมาธิได้กี่นาทีสามสิบนาทีครับนั่งทุกวันหนะรือเปล่าทุกวันครับเอยากไหยเวลานั่งนี่ไม่ครบสบายนะครับนั่งเราใช้อะไรเป็นอารมณ์โอ้พุทโธเลย พุทธอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาความตายแตยังไม่ต้องพิจารณาดีกว่าให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆฝากครับอย่าให้คิดนั่งสมาธิเพื่อหยุดคิดนะฝากครับอพยายามทํำอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตจะหลอกเราฝากครับต้องมีพุทโธพุทโธคุมจิตไว้ฝาก โอเคมีคำถามไหมคุณแม่ไม่มีคำถามค่ะอ่ทางนี้เราทนี้ก่อนนะครบคบรคุณคระจาครับไปที่ตะวันกับคุณพ่อมาโก้มาโก้ want to Speak Thai with us <c oughs> I can't <laughs> I'm g o n to let my son speak <c oughs> uh, ตะวันมีอะไรมาแม่ไปไหนจากมัสการพระจาครับเออแม่ไปที่เมืองไทยครับ นี่ยถึงไม่ยังเอ่อเออเออช่ครับถึงแล้วนะถึงแล้วครับไปกี่วันนะเออเอเอัวเากมั้ยในไทยแลนด์นาากว่าเออคลอยเออหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโอเคแล้วต่วันอยู่กับพ่อ<ม>คิดถึงแม่ไหมคิดถึงอยู่ครับคิดถึงนะ อ, <ม>อันนี้ต่วันมีอะไรจะถามหรือเปล่า เออหนึ่งคำถามครับว่ามาถ้าเป็นโปรติชชั่นแล้วเออก็ถ้าเป็นโปรติสชั่นก็อยากเอาได้ชีวิตเหมือนคนอีกคนหนึงไดไหมหรือไม่ได้กอยากไะไเนะ่ออยากเอาเป็นคนอีกคงนงนึงเอาไว้ให้ทํามให้คนเอาไว้เขาไปนิพพานครับอ่าคือโปรติสชั่นเนี่ยเป็นคนที่ มุ่งมั่นที่จะไปพนานิพานทีนี้เขจะไปถึงนิพานชาติไหนนี้ไม่รู้เพราะว่าต้องใช้เวลามากถ้ายังไม่ถึงนิพานเขาก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามเดินทางต่อไปให้ถึงนิพานเขาไม่ต้องการจะไปทําอย่างอื่นเขาต้องการที่จะไปนิพานเขาก็จะทําทําทาน ทำทานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีรักษาสิงไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยจนกว่าก็จะถึงนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องทําไปเรื่อยถ้าถ้ายังไม่ถึงนิพพานตายไปก็ต้องกลับมาเกิดมาทําต่อจนกว่าจะถึงนิพพานลาวันอจะเป็นโพธิสัตว์เนี่ย ไม่อยากเก่าครับก็ต้องไปนรกมากเลยอไม่ต้องไปนรกทำว่าพระบริสาน์ก็ทาแต่ความดีเข้าใจไหมถูกต้องทุกคาถามที่ถามมานี่ถูกต้องครับลองถามคุณพ่อมีอยไรจะถามไให้วรรลองลองถามคุณพ่อมีอะไรจะถามไหมให้สวรลอง ไม่รูกมันไม่ดีไม่ดีใช t ไหมที่เจนไม่สามารถ้าไม่ได้พ่อพังกดามารถถถ้โเค so uh, I wanted him to ask so he was helping out with some garden stuff so we made an, uh, an agreement And if the garden is ready, he was g o i n g to get a gift, which which we promised him, right? Mm -hmm. And he wasn't done yet, so he was asking, "Oh, am I done now?" And I explained, "No, no, you're not done because still a part needs to be done." And then he got upset. And so this is a very good example of when you have an expectation which is not met, that mm -hmm. it's g o i n g to be suffering. So i was trying to explain that to him just now, and he could ask you for tips on that one because I don't think my tips help. <laughs> don't expect. อย่าไปหวังอะไรทำไปอย่าทำเพื่อให้ได้นู่นให้ได้นี่ทำไปเพราะว่าเรามีความสุขกับการกระทำก็พอแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่คนที่เขาจะให้เราล้าก็อยากจะให้เราเขาก็ให้เราเองถ้าเขาไม่อยากจะให้เขาก็ไม่ให้เราถ้าเราไปอยากได้เราก็จะเสียใจเวลาเขาไม่เขาเขาไม่ให้เราถึงแม้เขาจะตกลงกัาเราว่าเขาจะให้เราบางทีเขาก็อาจจะโกหกเราก็ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปหวังอย่าไปคิดว่าจะต้องได้ท mm hmm. ำใจเฉยๆไว้ mm hmm. ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแล้วเราจะไม่เสียใจเข้าใจไหมก็จาใจครับโอเค I told him not to expect just do do the work that he has do And even if people promise you they can they cannot sometimes they will not fulfill the promise either <laughs> True. <laughs> so, so don't expect anything. Just yeah. be happy with what you do. Mm. That's good advice. Thank you, Tanaja. Okay. I won't spend much time talking. English, no, don't. I, I will be in next week. Thank you, Tanaja. Okay. okay. Nice talking to you. Nice talking to you, Tanaja. Thank you. Okay. Nice. See you next. h uh, a n by j x t n from l a t เอาเดี๋ยวก่อนก็ก็ก็เอาไปที่เด็กก่อนเดียวเด็กรออยู่เด็กคนต่อไปก็คือเด็กเด็กชายพีกับคุณแม่เข้เามาก่อน น, น้องพีมีคำถามอะไรไหมมีคำถามครับอาถามเลยถ้าเกิดว่ า, าหนูว่ า, าพร<า>ะที่ทำตัวไม่ดีจะบาปไหมครับ ถ้าเขาว่าเราเร า, เราจะคิดยังไงนะเราก็รู้สึกไม่ดีครับอ่าก็อย่าไปอย่าไปว่าคนอื่นนะว่าคนอื่นทําให้เขาทุกข์ก็ทําให้เขาไม่สบายใจก็ไม่ดีเราไม่ต้องการยิ่งไปทําให้ใครเขาเสียใจไม่สบายใจเขาจะดีไม่ดีก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปให้เรารู้ว่าเขาดีแล้วไม่ดีก็พอไม่ต้องไปว่าเขา ว่าเราก็ไม่อยากจะให้เขากลับมาว่าเราใช่ไหมใช่คับอ่าถ้าเราว่าเขาได้เขาก็ต้องว่าเราได้แต่ถ้าเราไม่ว่าเขาเขาก็ไม่เขาก็จะไม่มาว่าเราอย่างนีอย่าไปว่าใครดีกว่าแต่แต่รู้ได้รู้ว่าเขาดีแล้วไม่ดีรู้ได้ดูเนอรู้แล้วก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเฉยๆไปจะดีกว่า จะว่าว่าตัวเราดีกว่าดูตัวเราดีกว่าว่าเราดีหรือไม่ดีเราไม่ดีตรงไหนว่าตัวเราดีกว่านี่พี่ไม่ดีเลยเนี่ยพี่ชอบตื่นสายพี่ไม่ช่วยแม่ทํางานเลยอยู่บ้านชอบเอาแต่เล่นนี่นว่าพี่ดีกว่าพี่จะได้แก้ไขดัดแปลงแล้วพี่ก็จะได้กลายเป็นคนดีขึ้นมานะ คนอื่นย่าไปสนใจสนใจตัวเราดีกว่ามองตัวเราดูตูดูตัวเราแก้ที่ตัวเราเราไปแก้คนอื่นไม่ได้หรอกคนอื่นเขาจะดีไม่ดีเราก็ไม่บอกเขาเขาก็จะเขาจะแก้ไม่แก้ไมัเขาก็เขาก็ไม่นสนใจที่ฟังเราอย่านะอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นดูตัวเราดีกว่า ไปหลายอาทิตย์นะมาเข้ามาสายมาครับ <Yeah. S 2> <ม>เนี่ต้องต้อว่าตัวลอยเนี่ยเราชอบมาสายเนี่ยมไม่เลยเข้าเพราะมาอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาตอนสามทุ่มครึ่งค่ะอืมแต่ก็ไม่ได้รอจนจบแต่หลวงพ่อคงไม่เห็นหนูก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะอืมค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เข้ามา อาทิตย์ก่อนนะั้นนั้นก็เข้ามาแต่ก็ไม่ทันหลวงพ่อแล้วก็มาวันที่สิบสองหนูไปนอนโรงพยาบาลมาไปให้เลือดมาเจ้าค่ะก็เลย ว, วันวันที่สิบสามออกมาจะมาคุยกับหลวงพ่อก็ไม่ทนันก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่ค่ะก็บางทีถ้ามาสายมันจะอยู่ที่หน้าที่สองแล้วมันก็ต้องรอคิวอยู่ด้านหลังไป ค่ะหมองไม่เห็นใช่ไมก็ฟังใน y o u t u ู e แทนค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรโอเคมีคำถามอะไรไหมก็อ่าพอดีว่าสองอาทิตย์ก่อนก็ฝากน้องเฟิร์นตักบาทนะคะเออน้องเฟิร์นก็บอกอยู่อ๋อค่อ๋อแล้วก็ตอนที่หนูตอนนั้นก็มันอุบิเหตุนะคะหมอเขาให้เลือดสุกเสรินเพราะว่า อ่าเลื่อนหนูมันจางมากค่ะหลวงพ่อออือือก็เลยหมอเพราะว่าก็จับตรวจนู่นตรวจนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยเองก็ได้นอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งก็ท่องมรณะรูสติตลอดค่ะก็ได้อยู่กับเองตเปลียนตัวตเตร็มใจไว้ร่างกายมันจะต้องเป็นไปวันใดวันหนึง่งใช่ค่ะก็บอกลูกๆบอกแล้วว่าถ้าเป็นอะไรไปก็ ไม่ต้องอยู่นานไม่้งเสียใจแม่<ฆ>ไม่ได้เป็นร่างกายนะร่างกายเป็นคนรับใช้ของแม่ค่ะก็จะบอกลูกๆเสมอว่าถ้าเกิดว่าหมามาเป็นไรไปไม่ต้องปั๊มหัวใจนะลูกปล่อยไปตามธรรมชาติออวัดก็สามวันก็พอไม่ต้อง<ฆ>ไม่ต้องยาวแล้วก็เอาไปอัฐิก็ไม่ต้องไปฝังที่ไหนก็ไปรออังคารให้หมดเพราะว่าตอนนี้ก็ป้าม้าก็เตรียมพร้อม ให้กับตัวเองในโลกหน้าอยู่ทุกวันทำบุญไว้เยอะๆบุญเอาไปได้บุญเป็นของเราค่ะหลวงพ่อก็นึกถึงคำสอนหลวงพ่อตลอดเวลาเลยตอนที่ตอนที่เข้าโรงพยาบาลนะก็จะฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ตลอดแล้วก็นึกถึงคำสอนที่หลวงพ่อให้ท่องเหมือนหลวงพ่อบอกให้ ตอนนั้นที่หลวงพ่อบอกให้น้องพีท่องว่าเป็นของดีนะพอหมอบอกว่าหนูเป็นนั่นเป็นนี่นะคือแบบหนูก็ไม่มีน้ําตาเลยนะคะหลวงพ่อเปิด<ม>ท้องเลยว่าเรามีความเหยีบยบย่ำได้ป่วยนธรรมาได้ค่ะท่องตลอดเลย<ม>ก็รู้สึกว่ามีหลวงพ่อหลว ง, งปู่หลายๆรูปให้กําลังใจหนูคือแบบว่ารู้อะคือแบบเปิดมาก็จะเจอธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อ ตลอดนะคะก็เหมือนแบบท่านได้เหมือนมาเหมือนแบบว่าให้เราได้เหมือนว่าให้เราได้คิดให้เราได้รู้จักปมก็ถูก ค, คิดให้ถูกสัมมาทิฏฐิใ่คะอย่าไปคิดว่าเราเราไม่แก่เราไม่เจ็บแล้วไม่ตายนี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกใช่ค่ะพื่อเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราใจยจะไม่ทุกข์นะค่ะ ห่วงแต่จริงๆหนูก็ติดอย่างเดียวว่าหมอจะให้หนูแอดมิดหนูคือมันฉุกเฉินแล้วค่ะเพราะว่าหมอเขากลัวหนูจะแบบว่าเป็น hard attack แล้วก็จะแบบน้ำท่วมปอดก็เลยก็เลยบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากจะให้เลื่อนเพราะว่าเป็นห่วงคนนี้คนเดียวไม่ได้ห่วงใครเลย <c oughs> รู้แล้วว่าคือเหมือนว่าถ้าเราใกล้จะตายแล้วอะเรารู้เลยว่า มีคนเดียวก็คือคนนี้ที่ห่วงก็ยังเล็กอยู่ยังยัง m a n g e ในชีวิตของตัวเองยังไม่ค่อยถูกต้องแต่หนูก็พยายามสอนเขาในทางสัมมาทิ่ฐิอยู่ตลอดค่ะหลวงพ่อเนี่ยต้องขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าคะ่ะที่หลวงพ่อตติหนูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังถามหลวงพ่อทุกวันนะคะโอเค สาธุนะค่ะค่ะค่ะหลวงพ่อจันแข็งแรงนะเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะไปที่อาจารย์พรมพิรายนะเดินขอบคุณทุกคนเลยต้องมานั่งรอเลยนะครับน้มสักการพระอาจารย์ครั บ, บน้มสักการคร่ะวันนี้มารอสวัสดีเหมือนทุกอาทิตย์นะก็ดีได้พบกันฆอาริยานังเขาพระอาจารย์แข็งแรงดีนะฮะ ก็ยังทําอะไรได้อยู่ก็ปัจจุบันนี้เป็นคนที่ทํางานมากที่สุดในเพื่อนที่หลวงไม่รู้จักเลยเพื่อนที่รู้จักทั้งหมดเนี่ยประอาจารยเป็นคนทํางานหนักที่สุดตอนนี้อ๋อไม่หนักก็ไม่ได้แบกของอะไรนมา ใ, แบบใช้ปากงานใช้ปะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็ <Okay. S 1> คนอื่นก็ไม่มีใครทํางานกันแล้วแบบนี้นะใช่ก็มีงานให้ทําไม่ทำกันเองเนลย พุทโธพุทโธไปเลยปฏิบัติสติไมปเลยนั่งสมายที่งานมีเยอะแยะไม่ยอมทํากันเองขอบคุณค่ะที่เจอสติเป็นโอกาสที่ดีแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องทํางานอย่างนี้แล้วว่างจังหวะหนึ่งนล้วนี่ไม่มีขออ้างเราะไม่มีเวลาอันนี้มีเวลาเต็มที่เล้วเนี่ยลาเยอะแต่ก็ได้เข้ามาได้เห็นหน้าอาจารย์บ่อยครั้งที่สุดแล้ว มาเติ ม, มพลังค่ะอพลังแต่เพราะว่าคิดเก็บไม่ได้ทําเองอเอาทางลัดกันอทํา ร, รมะนี่เป็นเป็นสิ่งที่จะทาให้เรามีกําลังเป็นปัญญาปัญญาบาลมีทําให้เรามีความเข้าเข้าใจทําให้เราหางงมงายหายหลงนี่นั่นจะทําให้เรามีพลัง ที่จะระชิญกับสิ่งต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะทา้านโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ของชีวิตน ะ, ะใช่มันช่วงที่เราจะต้องเข้าห้องสอบแล้วใกล้ใกล้ก <c oughs> ไปมังคับจะมาแนละ้วจะอยู่รออยู่ที่เด็กผ้าเชื่อเลา่า <c oughs> ดีตัวแล้วเ ด, ดีตัวแล้วนะเยี่ยม่ึ <c oughs> ้นมาสนุกเยียมขึ้นขึ้นเครือ่องได้นะ เราต้องไปกันด้วยกันทุกคนนะ่ะนะใครไปก่อนใครไปหลังแล้วแต่สายของใครคิวใครคิวมันต้องต้องเร่งรีบปฏิบัติให้ได้เยอะๆค่ะจะได้นั่งเฟ<อ>ิร์สคลาสไงเยอปฏิบัติได้ได้มากเท่าไหร่ก็จะได้นั่งเฟิร์สคลาสไถ้าปฏิบัติได้ก็ไว้นั่งอนะีคอมนมีแถวหลังสุดนะค <laughs> ่ะคุณน <laughs> ิวเนี่ยค่ะ มาขอกาพาจริญจะมั่งเสมอค่ะโอเคนะสู้ต่อไปนะสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาค่ะขอพระคุณค่ะสาธุค่ะปัญยาปัญยากับทันดินรัศกาลญาประจันปัญยาสบายดีนะ อ่ายายก็อยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะก็ะดีมากไม่ไม่ดีมากค่ะของน่างใจมัน ต, ต้องเป็นแต่ใจเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันอ่าก็ก็พยายามอยู่บ้านคนเดียวค่ะอืมอยู่บ้านต้องอยู่คนเดียวก็พุโทโธพุโทโธไปนั่งขาค่ะก็ว่<ป>ววายพระตลอดเลยค่ะกลางตัา ง, งเย็นเลยค่ะให้ทําใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุข นางการจะเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาถ้าใจเรามีความสงบแล้วใจเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายบคสันโดดมีอะไรไหมวันนี้นวักรครัอาจารย์ก็เอ่อไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์ไปไปผมไปเชียงรายมาครับผมอาจารย์ไปปีนเขาเวลาผ่านไปมันก็เปยนคนก็เปลี่ยนไปตามการตามเวลา ก็ไปกับโรงเรียนครับผมอาจารย์แล้วเขาไม่ให้เอามือถือไปด้วยผมก็ไม่รู้จะเข้าซูมยังไงก็ต้องยอมแล้วว่ามันเปลี่ยนไปอันนี้อาจารย์ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่ก็ต้องกลับมาเข้าคลาสครับผมอาจารย์เดี๋ยวไม่งั้นต้องไปนั่งอ็โคนอมครับอาจารย์วันนี้มีคำถามหนึ่งครับผมะอาจารย์พอกับ กลับกลับไปปฏิบัติเรื่องพิจารณากายพิจารณาโครงกระดูกอะไรพรงเนี้ยนะพี่แจ๊ดเราพิจารณ์ตอนที่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งเราก็พยายามทําให้ได้ตลอดเวละมันเหมือนกับว่าเออเราปล่อยวางได้แล้วจริงๆแต่พอเอาเข้าจริงก็ปล่อยวางไม่ได้เหมือนยังมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ปล่อยวางมันเหมือนแค่เป็นความคิดนะพี่แจ๊ดมันมันคิดว่ามันปล่อยวางได้แล้วแต่ในความเป็นจริงมันยังปล่อยวางไม่ได้อันนี้ผมต้องทำยังไงพี่แจ๊รแล้เพราะไม่ปล่อยมันก็ไม่วาง ไม่ยอมไปยังยังไม่ยึดไปติดแล้วเป็นตัวเราของเราอยู่ก็ดูสิเราตรงไหนเป็นตัวตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ที่ผ ม, มอยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บต้องยังพิจารณาไม่รอบคอบยังไม่เลึกซึ้งอืต้อง analyze ต้องวิเคราะห์ออื่าร่างกายนี้เป็นตัวเราตัวเราอยู่ตรงไหนลองไปค้นหาูในร่างกายนี้อยู่ตรงไหน อยู่ที่ผมหรือเปล่ปาอยู่ที่เล็บหรือเปล่ปาอยู่ที่ฟันหรือเปล่ปาอยู่ที่ไหนหรือเปล่ปาตรงไหนเป็นตัวเราบ้างเวลาตัดผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่ปาเวลาตัดเล็บทิ้งไปแล้วเราหายไปกับเล็บหรือเปล่ปามันต้องใช้หลักวิเคราะห์ได้เหตุด้วยผลมันถึงจะเห็น ว, ว่าเราเป็นตัวว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา ทั้งที่หาตัวเราในร่างกายไ ม, ไม่ไม่เจอเลยไม่มีเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนมัธยาเข้าใจมัธยมรู้ว่าเราเป็นหลงตูวว่าร่างกายนี่เป็นตัวเราของเราเองแต่ความจริงมันไม่มันเป็นแค่อาการ32ใช่ไหม เ, เราเป็นเหมือนคนขับรถนะร่างกายเป็นเหมือนรถนะีย คนขับลถกับรเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเราเป็นใจผู้ใช้ร่างกาย user เราเป็น user ของร่างกายร่างกายเป็นผู้รับใช้เรา <Okay. S 1> มันต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่ทำท่าางการสามสิบสองไปแล้วก็มันจะมันจะเห็นไม่เห็นหรอก ต้องนะดูว่ามันมาจากที่ไหนอาการสายที่สองอยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาได้ไงมันต้องมีมีที่มาที่ไปทุกอย่างกอย่างมันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแหละเริ่มตอนที่ธาตุสี่ของพ่อของแม่มันรวมกันแล้วก็อ า, าศยธาตุสีนี่มีทั้งแม่หลอ น, นี้จนเติบโตขึ้นมา ออครบอาการ32ก็คลอดออกมาแล้วก็เติมท่านดื่มน้ำลมไฟหายใจเองดื่มน้ำเองกินข้าวเองรับแสงแดดรับความร้อนอุณหภูมิจากสัมันก็ทำให้ร่างกายนี้ทำงานต่อไปได้ร้างอยูไ่ได้แล้วก็จะเริ่มเติบโ ต, ตขึ้นมาได้เพราะเราคอยเติมลมเติมน้ำเติมดินเติมอะไรเข้าไปเรื่อย ไม่มีลาวตรงไหนเลยมีแต่ดินน้ำํำลมไฟเข้าๆออกๆแล้วพอร่างกายตายไปไม่หายใจน้ำมันหายไปไหนมันก็หายไปกับดินกับน้ำกับลมกับไฟเลยลมก็หายไปลมก็ออกจากร่างกายไปไฟก็ออกจากร่างกายไปน้ําก็ออกจางร่างกายไปที่เหลือก็กลายเป็นดินนะมันต้องเป็นจนาแบบนี้มันถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจน มาทางกายก็เป็นแค่ธาตุสี่ทางกายฐานสิบสองไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยก็ต้องใช้ความคิดนําไปก่อนแล้วก็คิดแบบมีเหตุผลอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ท่องปฏิบัติตามเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราก็อย่าไปทไํามไรอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันจะเจ็บจะปวดก็ปล่อยมันเจ็บมันปวดไปไม่ต้องไปทุกข์กับมัน ดูแลมันไปแต่ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นนะมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะตายก็ต้องตายเมื่อเราสรุปรอบไม่ใช่ตัวเราเราก็ต้องไม่วุ่นวายไปกับมันไม่ต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนไปกับมันเหมือนต้งเหมือนถนนดดไปวุ่นวายกับร่างกายของคนอื่นไหมที่เราไม่รู้จัก ใช่ไหมว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมร่างกายนี่ก็เหมือนกันเหมือนตอนนี้เราก็รู้เราไม่ใช่ตัวเราถ้าเรายัางไปวุ่นวายอยู่เราก็แสดงว่าเรายังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงก็ต้องเฉยไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นอะไรก็เป็นไปช่วยมันได้ก็ช่วยมันไปช่วยไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะ ต้องคิดแบบไม่ใช่คิดหนเดียวการสาธิสารนี้จบมันไม่มันไม่มันยังไม่เห็นภาพชัดเจนเลยต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นหนูมันมาจากที่ไหนแล้วจุดจบของมันกลายเป็นอะไรมันไปไหนมันต้องเห็นชัดเจนแล้วเราอยู่ตรงไหนแล้วมันมเกี่ยวข้องกับมันตรงไหน อาจารย์โล่งเลยความเข้าใจโ ล, งล่งในที่นี้โอเคนะได้หลักการแล้วครับอาจารย์แล้วนําไปปฏิบัติอโอเคขอบพระคุณพระอาจารย์นะท่านต่อไปคุณหมอพิเชษเชิญกลาวนมัส ก, การพระอาจารย์ครับข อ, อความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบาย รถแห่งธรรมที่แท้จริงนรับพระอาจารย์รถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบ น, น, นะรถแห่งธรรมที่จะชนะลถทั้งปวงก็คือความสงบที่เป็นความสุทขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอื่นใดที่จะมีความสุขเท่ากับรถแห่งลถของความสงบนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ความสงบเนี่ยคือรถแห่งธรรมซึ่งก็แ บ, บ่งเป็นเป็นระดับระดับว่าแห่งธรรมก็เริ่มต้งแต่รถแห่งธรรมนี่เกิจดจากการทําบุญทําทา น, น, นเวลาเราทําบุญทําทานราู้สึกว่ามีความสุขมากอเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปเที่ยวเอาเงินก้อนเดียวไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยนะเอาเงินก้อนเดียวนี้ไปทําบุญนี่ความสุขใจมันต่างกันนะทําบุญเราทําให้ใจสุขให้ใจใจมันอิ่ม เอาเงินไปเที่ยวเนี่ยมันไม่อิ่มมันกับหิวมันอยากอยากจะเที่ยวอีกไปเที่ยวแล้วกลับมาอยากจะเที่ยวอีกนี่เปรียบเทียบมาแทงมาแทงทนก็มีตั้งแต่ระดับต่ําก็คือทำมุญทำทานเราเอามาก็ร ะ, ระดับศีลเวลาที่เรารักษาศีลได้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจภูมิใจในตัวเราเวลาใครเข้ามาร่อเราให้เราไปอไปทำบาปเราไม่ไปเนี่ยเรา เอาเงินให้เราแล้วให้เราไปชอบโกงแต่ว่าเรามีหน้าที่มีตําแหน่งเขาให้เงินมาแล้วให้เราเซ็นชื่อเพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราไม่ทำํำเราทําแล้วเราไม่ไม่สบายใจะพอเราไม่ทําบาปได้เราก็มีความสุขใจขึ้นมาภูมิใจขึ้นมาแต่วก็ระดับที่สามว่ระดับภาวนาเนี่ยทำจิตใจให้สงบก็มีสองระดับภาวนา สงบแบบชั่วคราวสุขแบบชั่วคราวต่งในขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาความสุขนั้นก็ค่อยจางหายไปถ้าไม่อยากให้มันจางหายไปก็ต้องกำจัดตัวที่มาทำลายความสงบก็คือความอยากตา่ตางๆต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าความอยากนี่มันมีแต่โทษมันไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจมันทำให้ใจทุกข์ทให้ใจวุ่นวาย และสิ่งที่อยากได้ก็ทําให้ใจทุกข์ด้วยเพราะมันเป็นของไม่เทีย่ยงได้อะไรมาเดี๋ยวพอมันมันจากมาไปก็ทําให้เราเสียใจลได้มาก็ดีใจแต่พอเขาจากมาไปก็ทําให้เราเสียใจมันก็มาจากความอยากของเราเพราะฉะนั้นพอเห็นว่ามันเป็นตัวที่สร้างความมาทําลายความสงบ มันตัวที่จะพาให้เราไปทุกเข์กับเรื่องราวต่างๆเราก็หยุดทําตามมันได้เลยอยากดูหนังฟังเพลงก็ไม่ไปอยากเที่ยวก็ไม่ไปอยากได้อยากได้อยากนั่งรวยก็ไม่ไม่หาไม่รวยไม่เอาอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่เอาอยากได้รางวัลได้เกียรติยศได้เหรียญทองเหรียญทองเหรียญอะไรต่างๆก็ไม่เอาอยากเสพรูเสียงเงินแล้วก็ไม่เอา อยู่กับความสงบดีกว่าอาตัดความอยากได้ติตก็จะสงบอย่างถาวรจิตที่สงบอย่างถาวรก็คือนิพพานเนี่ยเ็นวัตถังธรรมขั้นสูงสุดก็คือนิพพานนอนลงมาก็สมาธินอนลงมาก็สีนนอนลงมาก็ฐานทําบ็นทำฐานนย่าพยายาม พยายามสร้างแลแถ่งทําตามกําลังของเราอทํำบุนทาทานได้ก็ทำไปเทุกครั้งที่อยากยามเงินไปเทีย่ยวไปซื้อไปซื้อของฟุม่มเฟือไปตอบสนองต้งานาความอยากก็อย่าไปทําตามมันฝืนมันเอาไปทําบุญนะเพราะทําบุญเนี่ยเราไม่ได้ทำด้วยความอยากดูทําด้วยความอยากก็ไม่ใช่ไปความอยากที่ทําให้เราเหิวโหยมีความอยากที่จะทำให้เราอิ่มการอยากทําบุญพอได้ทํ า, าทบุญแล้วมันจะทําให้เราอิ่ม มีความสุขเวลาไม่ได้ทำก็ไม่รู้สึกเดือดร้อ น, น, อนแต่เวลาไปเที่ยวเนี่ยพอไปเที่ยวกลับมาบุคคอยากไปเที่ยวมันกลับมันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วพอไม่ได้ไปมันก็ทุกข์อานนี้คือลแถแห่งธรรมที่ชนะชนลถทั้งปวงมีอยู่สามสี่ระดับทานศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา ออเข้าใจแนละ้วเป็นหมอเข้าใจอย่างแจ้งเลยครับอาจารย์กาบเขาเป็นคนอย่างสูงครับโ okay. อเคอไปได้คุณหมอภาสนะจะให้เป็นหม อ, อ, าอมา ก, การธรรมศาสตร์กับพระอาจารย์ขอพูดคุณพระอาจารย์นะคะก็ไปทําข้อสอบมาไปตรวจตาพระอาจารย์คราวนี้ก<น>็ไปแบบชึ้ ไปแบบสบายๆพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็รำลึกถึงที่พระอาจารย์สั่งสอนนะคะก็ไอ้ไฟมันก็เป็นไฟธรรมดาแล้วตาแล้วก็ไม่ใช่ของเราก็มันกระทบกันก็เฉยๆพระอาจารย์ก็คือไม่มีปัญหาอะไรก็คือก็คือคนคนเรียกว่ามั่นใจแล้วว่าเออก็ก็ไม่ไม่มีปัญหาพระอาจารย์ค่ะก็เป็นข้อสอบที่ต้องทําทุกทุกหกเดือนค่ะแล้วก็แล้วก็พระอาจารย์นิพนธ์ก็กลับแล้วนะคะท่านก็ดูดีขึ้นเลยะค่ะพระอาจารย์ แต่ช่งดีได้ดูแลทั้งพระเรียกภายในบ้านอกบ้านตัวเองก็ยังทําต่อนะพะอาจารย์คปฏิบัติต่อค่ะอม่าทิ้งคะไม่ทิ้งค่ะว่าอาจารย์ยิ่งทํายิ่งรู้สึกเบาขึ้นว่ามันไม่บำบัดอย่าเพิ่งไม่เป็นอาจารย์นะโอ้ยไม่เป็นอาจารย์โอ้ยไม่เอา่ะ ไม่มไ ม, ไม่ไม่นไม่อยากเป็นอาจารย์เลยนะพราะอาจารย์โอ้ยเป็นอาจารย์มาตอนนู้นแล้วเคยเป็นอาจารย์สอนพวกฟันอะไรยเงี้ยเบื่อคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยทำต er. ัวเองไว้เองอ่ะพระอาจารย์ขอเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของสาวกโวโกไปพยายามปล่อยเรอยเรื่อยอาจารย์มีอาจารย์ออกมาสอนธรรมาจายาลรู้สึกอย่งไรบ้างอ๋อผมรู้สึกว่าเดินไปกระทนไ้มรู้สึกว่ามันอาจจะมันสงสารมากกว่านะพระอาจารย์เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาทําให้คนเดินตามแล้ว เรผิดเนี่ยเขาจะบาปมากเลยอะคือรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่บรร ล, ล, ลุแล้วไปสั่งสอนอะ่ะรู้สึกว่ามันจะบาปมากกว่าจะได้บุญนะพระอาจ า, ารย์ก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะทําตัวเราเองดีกว่าแ ล, วแล้วก็บอกแล้วก็แล้วก็ทําที่เราชอบพัฒนาก็คืออย่างช่วยเหลืออะไรเงี้ยได้พระอาจ า, ารย์อย่างเช่นตอนนี้ก็คือดูแลคุณพ่ออยู่ไงคะแต่เรื่องสอนไม่เอาอยู่แล้วพระอาจารย์เพราะไม่ได้เรียนบาลีฮะเคยโชคดีไปไม่เคยอ่านพราะใจมีดกจบแล้วพระอาจารย์อ่านจบเลยนะแต่ไม่รู้เรื่องเลย อเคงที่เคยเรียนพระอาจารย์นะตอนมตอนปีหนึ่งปีสองอะไไม่ทราบคุณแม่จะแบบทําพระราตรดอกไหมคะก็อ่านรู้เรืออ่านหนังสือ่อนั้างเยอะนะคะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรียนบาลีเลยก็เลยรู้สึกเลยว่าคนเราไม่สนใจหรอกพระอาจารย์เพราะเราไม่ได้เรียนเนะะี่ยคือแต่รู้สึกว่ามาอยู่กับพระอาจารย์แล้วมันเข้าใจอ่ะพระอาจารย์มันมันสนุกด้วยนะพระอาจารย์ทำแล้วก็แรงมีแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วมันเบาขึ้นเลยพระอาจารย์แล้วแต่ละอย่างอย่างตาเตยอย่างสมัยก่อนกลัวตอนนี้สบายแล้วก็อีกอย่หนึ่งพระอาจารย์ สมัยก่อนเป็นคนที่ตกใจมากเลยพระอาจารย์คือมีอะไรมันจะสะดุ้งแบบดูอยู่นี้แบบเรู้สึกเลยว่ามันมีสติใช่ไหมคะพระอาจารย์มันเลยมันก็เลยไม่ไม่ไม่เรียนมันเฉยโ่เมโอเมคาเฉยใช้เมย่อไหร่ก่อนสะดุ้งว่าโอ้ยขี้กลัวครับพระอาจารย์อันนี้ขอกลืนพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ต้องกลัวไม่เป็นอาจารย์หรอกจ้ะโอเค ขอเป็นลูกศิษย์ก่อนแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ดูได้เลยนะมีอะไรพระอาจารย์สามารถดูได้เลยจะได้บอกว่าเราไม่การดูกอรเดี๋ยวดอนเขาดูกลับอพระอาจารย์นเมอไรย่างนั้นก็คอยติดตามพระอาจารย์กันแล้วกันมีอะไรพรอาจาด้คตตัวรมันอัสีตโนนาถเปไหมพระอาจารย์แต่ไม่ทิ้งพระอาจารย์ยังไงก็ต้องตามติดขอบคุณค่ะคุณทิติมาเช ยังถือสินแั่นเยอะเบาภาษาละการนวัสกรรมครับจะถือให้ได้มากที่สุดค่าาะอาจารย์แต่วันนี้เลยแค่เจ็ดานข้าวไว้หลังเที่ยงค่ะโ <Okay. S 2> อเคพยายามต่อไปครับอ า, าจารย์อ่อจ้าเติมการปรังเลยค่ะขอบคุณศาสตรการช่นะค่ะขอะพันคำครับอาจารย์ปฏิบัติครับอืมจา้าเาคุณอุษา โมเย็นเดชยามานั่งข้างๆด้วยเหมฮะในวัตการค่ะพระอาจารย์ใช่มัมเดชยาป่ะใช่ค่ะอตอนนี้ทางใต้ฝนตกหนักค่ะอา<ต>จารย์ใต<ด>้แถวๆนั้นจะท่วมแถวนครด้วยท่วมที่บ้านโยมแถวบ้านโยมก็ท่วมแล้วค่ะวันนี้ไปโกลกไม่ได้ไปหาของกินไม่ได้ค่ะอาจารย์อากาศเย็นค่ะแล้วทีนี้แบบลูกเขาร้อนโยมเย็นต้องเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมโยมต้องใส่เสื้อกันหนาวค่ะอาจารย์อ ค่ะเอะสําหรับโยมนะคะจารย์ที่จันบอกโยมมาให้พิจารณาความเจ็บแล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณเสาร์ค่ะโยมเป็นคนไม่มีถุงน้ําดีใช่ไหมครับมันจะปวดท้องค่ะจาย์ปวดท้องมากโยมก็เลยใช้โอกาสเป็นการพิจารณาไปโดยที่ไม่ภาวนาค่ะจาย์ดูความปวดมันแล้วก็นั่งดูมันมันกลายเป็นว่ามันเห็นเป็นเ ป, นเปลวไฟออกมาจากท้องะคะ่ะร้อนมากแล้วก็เป็นไฟแดงแบบนั้นเลยค่ะจนันโยมก็นั่งมองเข้าไปเรื่อยๆ มองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเบาไม่คิดว่าเมื่อไหร่จะหายยมทําตามเชี่าจย์บอกว่าอย่าหนีมันไม่ภาวนาค่ะดูไปเรื่อยๆเขาก็ปนเขาเบาไปแล้วก็ปวดมาอีกสามละลอกค่ะอยู่ก็ดูไปจนกระทั่งเขาเบาเป็นติดกันอยู่สามวันค่ะอาจารย์ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันปวดมากปวดจนกระทั่งเห็นว่าแล้วคนที่เขาปวดจนยอมไม่สู้แล้วยอมยอมตายอยากตายอะค่ะมันจะต้องปวดขนาดไหนยูโหดูน่ากลัวค่ะอาจาย์ ถ้ามีธรรมโอรสก็จะไม่กลัวมันนะอยู่กับมันได้แต่คือปวดรอบนิยมไม่ไม่ภาวนานะคะยมดูเข้าไปเรื่อยๆปล่อยเข้าไปเรื่อยๆนั่นแห<ๆ>ละก็คือภาวนาใช้สติอ๋อค่ะอ๋อคือเป็นแบบนี้คือเราก็ใช้สติดูไปใช่ไหมคะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นอนนาตามันธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปสั่งควบคุมมันครับได้ มันต้องดูมไปเฉยมันจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามเนื้อของมันแต่ว่าตอนที่ดูนั้นมันเหมือนกับว่าเรานิ่งใช่ไหมคะอาจารย์นิ่งแล้วก็มันเป็นเหมือนกับเปลวไฟออกมาจริงๆนะคะออกนอกท้องช่องท้องวิสซําเป็นแดงเลยค่ะอาจารย์อยูว่าโอ้มันปวดขนาดนี้แล้ววันที่สามอยู่บังเอิญว่าโยมเอารถไปสุขหงกลกไปซ่อมแอร์แล้วก็นัดเจอกับเพื่อนค่ะแล้วก็ปวดท้องเพื่อนบอกว่าต้องทํำอะไรไหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หาย เ <le ôn im us> พื่อนโยมเป็นทุกข์ค่ะจะซื้ออะไรไหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายขอนั่งเฉยๆเป็นชั่วโมงนะคะอาจารย์กว่ามันจะเบาลงมันทรมานอยู่ค่ะแต่ก็อยู่ได้ค่ะผ่านมันมาได้ค่ะแต่ใจอย่าไปทรมานกับมันใจ <c oughs> สักแตว่ว <c oughs> ่ารู้เลยค่ะโยมนึกถึงคําอาจารย์ว่าให้อยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้อย่าไปคิดให้มันต้องเมื่อไหร่จะหายโยมก็ปล่อยก็ไปเรื่อยๆเพื่อนยกสี่ใช่ค่ะ โยมก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่เขาจะหายมันมันจริงๆแล้วโยมจะเป็นพอเราไม่มีถุงน้ําดีมันก็จะปวดบ่อยๆค่ะแต่ว่าเราจะรู้ว่าเออมันปวดแต่คราวเมื่อก่อนเราอาจจะให้ภาวนาแต่คราวนี้ลองพิจรารณาตามที่อาจารย์บอกอะค่ะยอมรับสภาพใช่จิตถ้าเรายอมรับสภาพแล้วใจจะไม่ทุกข์ <c oughs> ใช่ค่ะมันก็อยู่ <c oughs> อ๋อก็พอมันโอเค <c oughs> ผ่านผ่านมาได้สามวันติดๆเลยค่ะอาจารย์มันปวด <c oughs> แล้วก็จะมาถึงถึงคนที่ว่า เขาปวดแล้วปวดจนยอมยอมตายอะค่ะยอมตายอยากตายอ่ะค่ะอาจารย์โอ้มันจะขนาดไหนอันนั้นก็ผิดแล้วแต่อยากตายอออยากจะหนีจากความเจ็บปวดไปใช่ค่ะต้องเฉยเฉยมันจะอยู่ก็อยู่ไปจะตายก็ตายไปเราจะไม่ไม่แบกบังคับมันอันนี้ก็คือแบบดูเข้าไปแต่มันเห็นไฟออกมา<ด><ป>เลยน ะ, ะดูเพื่อปล่อยวางดูเพื่อปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมัน่ เหมือนเราดูกองไฟด้วยกับเราจุดไฟเผากองไฟขึ้นมาแล้วก็นั่งดูมันไปไปไฟมันเผาไปเดี๋ยวฟืนมันหมดมันก็ดับเองเลก็เห็นเป็นไฟแดงแด ง, ดงแล้วก็อยู่หยุดเขาก็ดับไปแล้วก็เป็นแบบนี้รู้ยมแล้วว่าอ๋อมันปวดแบบนี้ปวดปวดจนร้อนเลยนะคะอาจารย์ปวดจนร้อนก็ออกมาเลยค่ะนั่นแหละคือธรรมชาติของร่างกายมันเป็นอย่างเนี้มันจะต้องมีการอาการเจ็บเป็นเป็นธรรมดาเราต้วงรู้จักวิธีปฏิบัติมัน เพื่อให้ใจเราไม่ทุกก็คืออย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันหายหรืออย่าไปอยากหนี้อย่ากมันไปคนอยากนี้ก็ฆ่าตัวตายไปก็มียมยมนึกถึงธรรมอาจารย์แล้ะยมก็ทำตามไม่ภาวนานั่งดูก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างเงี้ยค่ะจงเขาหายไปเองแต่ว่าปวดพอหายไปปุ๊บเขาก็มาอีวันวันนั้นปวดทีเดียวสามละลอกค่ะอาจารย์ก็อยู่<ม>ผ่านมาได้ค่ะอาจารย์ถุกค่ะท่ โยมมี<อ>คำถามน<อ>ิดนึงนะคะอาจารย์ว่าโยมไปอ่านเจอในหนังที่ได้ในธรรมะของพระอาจานเหรอว่าความสงบมันมีอยู่สามระดับสงบด้วยสติสงบด้วยสมาธิและสงบด้วยปัญญาสงบด้วยสติสมาธิโยมพอจะเข้าใจค่ะแต่สงบด้วยปัญญานี่โยมขอความเมตตาจาย์ขยายให้ยยมหน่อยก็เวลาใจเราเครียดทุกข์กับเรื่องนั่งกายของเราเนี่ยเรื่องความเจ็บเนี่ย แล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจวา่านั่งกายมันเป็นอนัตตาไม่ให้ตัวเราเวทนามันก็เป็นอนัตตาไม่ให้ตัวเราของเราเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากพออยากแล้วมันจะทรมานพอไม่อยากยอมรับความจริงยอมยอมรับสภาพาใจก็จะหายทุกข์ขึ้นมาใจก็จะสงบทําการความเจ็บปวดของร่างกาย อย่ใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ดิน้นไม่วุ่นวายใจนิ่งเฉยอันนี้ก่อจากปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อหยุดความอยากที่เป็นตัวสร้างความเครียดสร้างความทรมานให้กับใจพอใจไม่ว่าอยากมันอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือเวทนามันก็เป็นไปตามเรื่องของมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปยอมรับสภาพไปอยู่กับมันไปพออยู่กับมันได้ใจก็นิ่งเฉยสงบ สบายเหมือนกอนน้ําแข็งอยู่บนอยู่ในกองไฟน้ําแข็งก็ยังเป็นน้าแข็งอยู่ไฟก็เป็นไฟใจก็เย็นเหมือนน้าแข็งทกากลางกองกองไฟของเวทนาแสดงว่าที่ที่โยมใช้มันนี้ก็คือการสงบด้วยปัญญาใช่ไ้มคะใช่ด้วยสติด้วยปัญญาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ ดี ใ, ใจค่ะต้องรู้ว่าความอยากเป็นตัวที่ถ้าเป็นปัญหาเราต้องหยุดความอยากให้ได้เราอยากให้เวทนาให้ไปด้วยความอยากจะหนีจากเวทนาไปอยากให้มันเฉต้องยอมรับวันหนีก็หนีไม่พ้นหนีไปเนี่มันก็ต่างอะไรอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับก็ทรมานตั ว, วเองไปเปล่าๆสู้อยู่เฉยดีกว่าดูไปเฉยสักแต่ว่ารู้ไป เพื่อนโยมซะอีกบอกว่าเอาแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเองแล้วเขาบอกว่าเป็นเองหายเองบอกอกืม เ, เป็นเองก็หายเองเพื่อนโยมทุกแทนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายค่ะอาจารย์เอ่ีดีแล้วสาธุค่ะพอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอ่าคุณเดษยามีอะไรบ้ า, นางน้ำรัสการค่ะพระอาจารย์อหายไปนานค่ะหนู โควิดค่ะพระอาจารย์แล้วก็ยังยังมีอีกเหรกี่ย ว, าวาหายาหายสาบส่วนหนึ่งหนูก็นึกว่าหนูก็นึกว่าหนูรอดแล้วเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แล้วก็ <c oughs> ที่ผ่านมาคือทํางานหนักค่ะพระอาจารย์แล้วก็เริ่มเจ็บคอแล้วสักพักนึงเริ่มสอนนักเรียนแล้วนึกไม่ออกอ่ะค่ะนึกไม่ออกว่าแบบตารางธาตุอันนี้อิเล็กตรอนกี่ตัวนึกไม่ออกแล้วอะคะ่ะเอ๊ะ <c oughs> เลยรู้สึกว่าปแปกแล้วก็เริ่มเหนื่อยเลยบอกแม่ว่าให้พาไปโรงพยาบาลค่ะตอนนั้นก็เริ่ม มีอากมีอากอารคือเดินไม่ค่อยไหวหอบประมาณนั้นขาพลาจานแล้วคุณหมอก็เลยให้ให้เทสเทสคิดปรากฏว่าติดขาพลาจา์ <Okay. S 1> แต่พอตอนเขาบอกว่าติดปุ๊บเลยมันกลายเป็นว่าโลง่งไปเลยขาพลาจา์เพราะว่าที่ผ่านมาคือเครียดเรื่องงานเครียดเรื่อง อ่าถ้าถ้าเทียบกับคลื่นพายุนะคะมาเป็นคอมโบเซตเลยค่ะไม่ให้หนูได้พักได้ยิ้มอะไรเลยค่ะมาปาบหนึ่งพอกําลังพอมันคลื่นมันหายไปปุ๊บมาอีกสี่ห้าสี่ห้าตลบเลยค่ะมาหนักหนักแต่พอคราวนี้พอรู้ว่าเป็นโควิดปุ๊บเออ ก, ก็ก็นึกนึกเป็นสเต็ปเลยค่ะว่าเออต้องบอกนักเรียนยังไงอะไรยังไงกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ามันยิ้มในใจค่ะว่าเอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือแบบเพราะเราที่จริงนักเรียนจะต้องไปสอบค่ะก็แบบ เอมก็ถือว่าเราตายไปแล้วกันนักเรียนเราเราตายนักเรียนก็ต้องสอบได้ถ้ามันก็คือมันก็ไม่มีอะไรให้ให้เครียดอะค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นยิ้มในใจมันแบบมันโล่งโล่อะค่ะทั้งๆที่ไข่อยู่แต่ก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยค่ะเพราะาจมันเหมือนแบบมันเหมือนมันบีบถึงที่สุดแล้วมั้งคะมันก็เลยแบบเออเป็นยังไงก็เป็นตามนั้นค่ะยาอมหยุดเย็น ก, ก็สบายใจค่ะทั้งๆ ท, ท, ที่มีไข้มีอะไรนะคะแต่ว่าในใจมันยิ้ ม, ปมปแปลกๆเนี่ยค่ะแบบว่านอนนอนอยู่คนเดียวเพราะว่ากันคุณพ่อคุณแม่ออกมาอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมคะอยากรับสภาพอยากรับสภาพใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ติดอีกถ้าแม่บอกว่าเดี๋ยวชักขึ้นมาจะทําไงแต่แต่หนูก็ไม่กลัวแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเดี๋ยวได้พักก็ถือว่าแบบธรรมะจาัดสรรให้หนูได้พักแล้วหนูไม่ได้พักมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็สบายมันมันมันมันสบายใจค่ะแล้วยังรู้สึกเลยว่าเออดีจังเลยเนาะแต่ว่าเวลาคนด่ายังโกรธอยู่ยังไม่หายค่ะพระอาจารย์นั้นก็คือข้อสอบอัะอืมค่ะอันนั้นอันนั้นต้องพิจารณาความโกรธพิจารณาทาพูดคนว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ทาพูดของคนก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมันดีเขาจะพูดดีก็ดีบางดีก็จะพูดไม่ดีก็ เอาคำพูดห้ามเขาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์อจรย์เลยจะถามพระอาจารย์นะคะแบบว่าเอาหนูยังหงุดหงิดเวลาคนมาถามค่ะบางทีชอบถามทำไมไม่แต่งงาน <c oughs> แล้วเขาถามด้วยคําพูดที่รุนแรงค่ะบางทีจะข้อให้หนูตอบบางทีหนูยิ้มไปแล้วก็ไม่ยังไม่หยุดสัทีค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าทําไมเปลี่ยนเขา ไ, ไม่ได้พยายามบอกแล้วว่า หนูพยายามบอกตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเราไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้มันยังมันยังรู้สึกอยากมันยังอึดอัดกับเขาอยู่อะคะ่ะพระเจ้าก็พูดดีๆเขาเลยค่ะขอให้มีมารยาทหน่อยเรื่องส่วนตัว <c oughs> แล้วทําได้นะคะพระเจ้าอ่ก็พูดดีๆแล้วกขอข อ, ขอให้รักษา ม, มารยาทหน่อยในเรื่องส่วนตัวจ้า เขาจะข้อใส่หนูค่ะอะเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆก็ได้ค่ะเขาก็ช่างเขาไว้ก็ปล่อยเขาจะข้าไปก็แล้วกันห้ามเขาไม่ได้เราอย่าไปทุกข์กับการการทําของเขาก็แล้วกันเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ก็เป็นเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหแล้วก็ต้องยอมรับโดยดีที่ดีแต่ทําไมเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนูไม่รู้สึกอะไรล่ะค่ะก็มันเพราะว่าหนูทําข้อนี้ได้แต่ข้อ เพราะนั่นยังทําไม่ได้ไปต้องไปฝึกซ้อมไปสอนใจอยู่เรื่อยๆก่อนนะเพราะต่อไปนี้เราอย่าไปสนใจกับคําพูดของคนนะห้ามเขาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ตอนหนูที่ผ่านมาหนูพยายามสู้อยู่นะคะพยายามเคยไปบอกว่าหนูเอไม่ไม่พอจะอย่าอย่าพูดคํานี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพยายามพูด ก, กับดีๆเขาบอกว่าหนูว่าเซนซิทีฟเกินไป น, น, นี่หนูต้องหนือูต้องซ้อมคําที่หนูไม่ชอบ <S <S ไม่ชอบคนไหนซ้ำท่องไปในใจไยเรืเ่อยเพราะว่าเราดอกทองก็ท่องไปเรื่อยดอกทองดอกทองจนกวรมันจะหายเซนสิตีจนกระทั่งมันวางเฉยได้มันก็แค่เป็นคำพูดเท น, นั้นอ่ะแต่เราไปยึดไปติดมันเราเราไปคิดว่าอันนี้คือเป็นเรื่อง private อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแบบไม่คุณถามถามเราไม่ได้แต่จริงๆคือเราต้องรับได้ทุกคำพูดที่เขาใช่แล้วเขาจะพูดอะไรก็พูดได้ เราพูดหนังที่เราไม่ชอบเราก็พยายามเอามาท่องจําให้ก่อนให้มันชินอยู่หัวแต่แวเวลาเขาพูดกก็ฟังกฟังกันตั้งนานแล้วเป็นเดือดร้อนเลยใช่ไหมค่ะมันต้องต้องซ้อมใหม่ค่ะอ่าเราไม่ได้ทําข้อสอบเราไม่ได้ทำการบ้าน ข, ข้อนี้ไงมันก็เลยสอบตกอืมคนละข้อคนละข้อกันคนละอย่างกันอ๋อค่ะได้ค่ะ ตอนนี้แบบว่าตอนแรกยังวิ่งก่อนหน้า น, นี้ค่ะทํางานหนักแล้ววิ่งตะครุบเงาค่ะพระอาจารย์แต่หนูยังทําข้อสอบข้อ น, นี้ไม่ได้เหมือนกันค่ะหนูรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จก่อนสักอย่างแล้วค่อยแบบไปบวกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเออไอที่พลจะสําเร็จกะว่าตรงเนี้ยจะได้ละมันก็ยังมีเรื่องนี้ให้เราแก้ไขเรื่องนี้ให้เราทํามันเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆมันยังไม่ยังไม่หยุดยังไม่มีจุดที่ ใช่ปฏิที่งไงคะ่ะพระอาจารย์เราก็ต้องกําหนดกรอบไว้เท่าที่อยากจะหยุดถ้าไม mm ่งั้นมันก็ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอืกําหนดกรอบไว้เท่กล่าวว่าจะทําได้แค่นี้พอพอถึงั้นนี้ก็หยุดต้องมีกรอบที่ชัดมากกว่า น, นี้ใช่ไหมแล้วต้องเราต้องวาดกรอบไว้เองถ้าเราไม่วาดกรอบกิเลสมันก็จะหลอกเราไปเรื่อย mm hmm. ๆพระอาจารบอกตันหาความอยากนี้มันไม่มีขอบมีเขต มาหาสมุทรทะเลยังกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นก็ยังมีขอบมีฝั่งนะแต่ที่เลสตัณหาความอยากนี่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะเพิ่มได้อยากจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆได้คือก็อยากจะเอาสองอยากได้สองก็อยากจะเอาวานะทั้งกําหนดขอบเขตว่าจาเป็นยังต้องมีเท่าไหร่ต้องการถ้าได้เท่าไหร่พอได้เท่านพอถ้ามากกว่านั้นเอาไปทําบุญทาทานได้หมดเลย จะได้ดดัดชั้นได้ความอยากได้พรได้เกินกว่าขอบเขตที่เรากําหนดไว้แล้วก็เอาไปทําบุญแทนส่วนเกินแล้วเรประกันหน้ามันก็จะมีวันจบนันไม่จบหล้งานทั้งโลกทำไม่้หลายก็ไม่มีวันจบเพราะมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูลองวาดกรอบใหม่ค่ะพระอาจารย์ ค่ะ ข, ข, ขอบคุณค่ะไปที่น้องแม่น้องลินเขียนชื่อใหม่ในงงนิดหน่อย <c oughs> กับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค ะ, ะได้ยินชัดเจนค่ะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติเรื่อยๆคะ่ะพระอาจารย์ปัจจุบันก็พระอาจารย์เจ้าคะตอนที่หนูผ่าสมองอะคะ่ะหนู เหมือนเด็กน้อยเกิดใหม่เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจําชื่อคนไมาเยี่ยมแทบจะไม่ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ต้องมาลุยตั้งคอใหม่แล้วก็หัดเดินใหม่เลยค่ะพระอาจารย์ถึงแม้จะโตแล้วนะคะพระอาจารย์จะกลับไปเป็นทาโลกเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้เห็นแบบโอบสภาวะร่างกายที่มีปัญหาตอนผ่าสมองเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วไม่เที่ยงค่ะไม่มีอะไแน่นอน เจ้าค่พระอาจารย์หนูก็เลยแบบว่าต้องมาแบบเรียนรู้ชื่อคนใหม่เหมือนเริ่มใหม่แบบลับเอาข้อมูลเข้ามาใหม่ค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนคอมอ่ะสมองเราก็เหมือนเหมือนคอมเรเปลี่ยนท่าทีนใหม่แล้วก็ต้องเอาใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่ท่าดี <c oughs> าด่เก่าเสียก็ใช่ไหมก็ต้องใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์แบบว่าคนนี้พ่อคนนี้แม่เหมือนเหมือนเรียนรู้ใหม่เข้ามาอเอ า, เอาข้อมู สมองมันมันมันเหมือนกได้มันมันถูกรีสตาร์ทใหม่ไงของเก่าถูกบมเลยจริงค่ะเหมือนรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่เลยค่ะพระอาจารย์แล้วแลโวใหม่เ่แล้ววินโดว์ใหม่ใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลุยใหม่คือปัจจุบันหนูผ่าสมองคืออวัยวะหนูเหลือน้อยลงค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมาดูตัวเองร่างกายหนูมันก็เหมือนแค่แบบ รถยนต์คันหนึ่งเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเท่านั้นเองค่ะพระอาจารย์การนอนก็น้อยลงค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่พอแต่มันต้องเข้ามาชา้าใจด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ในการเข้าสมาธิค่ะหนูก็เลยว่า mm hmm. หนูก็ใช้ชาร์ใจแบบตอนนั่งรถเมล์ค่ะพระอาจารย์ก็เลยร่างกายหนูก็เลยแบบเหมือนมีพลังเลยค่ะพระอาจารย์มาทํางานได้แล้วแบบ ของก็ไม่หนักคือทํางานเป็นมองเป็นกิจกรรมอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่มีคําว่าเหนื่อยเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเป็นทําอะไรก็คิดให้เป็นกิจกรรมแล้วมันก็สนุกไปทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะถึงหนูก็เลยบอกว่าถึงร่างกายมีปัญหาแต่ใจไม่มีปัญหาค่ะพระอาจารย์โชคดีที่ได้ฟังทำแล้วนํามาปฏิบัติกับหนูเองแล้วเอามาพิจารณาค่ะพระอาจารย์มันก็เลยได้พลังใจเยอะมากเลยนะคะพระอาจารย์พอแบบ แต่ว่าหนูก็เลยเห็นว่าโอ้เราก็ไม่ต่างอะไรจากโทรศัพท์ที่ต้องชาร์จชาร์จโดยการเข้าสมาธิค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันก็เป็นแค่ต้นไม้ที่ขยับขยื่อนไปเท่านั้นเองตามที่ใจเราสั่งไว้อ่ะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าอ๋อใจเป็นประธานค่ะพระอาจารย์ถึงร่างกายมีปัญหาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยดีใจมากเลยค่ะได้ฟังธรรมแล้วเอามาปฏิบัติ <Okay. S 1> ตลอดเลย่ี ยึดทำเป็นสาธารณะนะเป็นที่พึ่งนะนํามันสนานารณะก็ชามียึดทำจากพระพุทธเจ้ายึดธรามขอบ้านอาหันตัสาวกลกเราจะไม่ผิดหวังทุกขอาจารย์าทุกค่ะโอเคไปที่คุณโอพีเคต่อคุณ o. โอภูเก็ตยังอยู่ภูเก็ตเยอะวันนี้น้อ ง, องสาวนมัส ก, การ์พระอาจาร ย, ย, ย์ เ, เจ้าค่ะอยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะพระอาจารย์ ที่ที่ที่บ้านอ่ะตอนนี้คนไปเที่ยวเยอะมากช่วงนี้ช่วงนี้หนูไม่เคยได้ออกไปข้างนอกจ้าค่ะอาจารย์แต่วันก่อนนู้นที่ออกไปก็มีเยอะจ้าค่ะในเมืองอืเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่จ้าค่ะแต่มีมีค่ะก่อนนู้นนะเจ้าค่ะอาจารย์ที่ออกไปแล้วเห็นมีท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเยอะอยู่จ้าค่ะทางหนูคืนนี้ไม่มีคําถามจ้าค่ะเข้ามาร่วมรับฟังจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติเดี๋ยวจ้าค่ะโอเค กขอบาาาคุ่ณนิสา LA นิสาได้ยินไหมได้ยินค่ะพระอาจารย์กลับนมัส ก, การค่ะพระอาจาราย์รรอก็ก็ยังบ้านเสร็จหรือยังอยังค่ะพระอาจารย์ในบ้านเสร็จแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้รอบบ้านค่ะพระอาจารย์ก็ต้องเก็บในสิ่งที่แบบอย่างเช่น บางอย่างมันพวกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะโบลกเกอร์เขาแนะนําว่าเขาอยากให้เป็นแบบโล่งๆค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ ส, สแต่ก่อนก็แบบคือไปซื้อต้นไม้มาเยอะมากค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เลยแบบต้องเอาไปให้บ้างอะไรเงี้ยจางต้องลายกระจายมานะบบเตรียมขายมากเลยค่ะอาจารย์น่าจะลิส ปีหน้าค่ะต้นปีอะค่ะพระอาจารย์เพราบลกเกอร์เขาบอกว่าช่วงช่วงช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยคนจะไม่ช็อคบ้านนะคะพรอาจารย์ก็น่าจะปีหน้าค่ะอาจารย์จริงๆนะจริงๆจะค่ะก็แค่เดือนเดียวปีหน้าก็แค่เดือนเดียวใช่ค่ะพระอาจารย์จริงค่ะก็น่าจะประมาณปีหน้าต้นปีหน้าค่ะอาจารย์เดือนหน้าเดือนถัดไปค่ะองเดือนค่ะ ก็จริงๆว่าจะขายตั้งแต่ต้นปีแล้วคือมันเขาเขาคือลูกก็อยากจะขายนะคะผู้ไม่ไม่ได้สนใจว่าต้องราคาคือโอเคกับราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแบรนลูกเขาจะแบบอยากได้แบบเลดดอกเปี้ยที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ดอกเปี้ ย, ยมันลงคนจะได้ราคาบ้านจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะทะเลาะก็ยังไงก็ได้อาจจะก็ คือพระอาจารย์ครับเวลาที่เราแบบพุทธโทในระหว่างวันนะคะพระอาจารย์คือถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราไม่สบายใจมันเหมือนมันพุทโทมันจะขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่เวลาที่เราแบบเหมือนกับสบายใจเหมือนกับว่าเออไม่ค่อยมีเรื่องอะไรบางไม่มีอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมันจะหายไปมันจะลืมอะค่ะพระอาจารย์ก็ไเป็นไรท่านใจเราไม่ฟุ้งซ่านเราไม่เป็นไรอ๋อค่ะ นอกจากว่าเราต้องการที่อยากจะให้มันไม่คิดแบบว่าต้องขยันพุทโธพุทโธไปค่ะมันมันมันมันลืมอะค่ะอาจารย์มาอีกทีอเ้าวเราลืมพุทโธไปนี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาเรียกโฟล์สติค่ะแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนแบบเราจะนึกถึงพุทโธอย่างแรกแล้วมันจะกลับมาค่ะพระอาจารย์อันนี้เป็นเป็นปกติป่ะคะพระอาจารย์ก็เป็นปกติสําหรับระดับนี้ไง แต่ถ้าระดับสูงวันนี้มันจะไม่ ม, น, ม, มนันมันจะมีพุโทโธถ้าไม่มีพุโทโธมันก็จะมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลามันจะคอยควบคุมความคิดไปไม่คิดอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะแสดงว่าตอนที่เราแบบรู้สึกแบบไม่ได้บางครั้งเราเหมือนกับเราสติหลุดไปลืมไปอะไรย่างเงี้ยใช่มคะถ้าเราไม่พุโทโธแต่เราไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอค่ะ เป้หมายก็คือต้องการจะควบคุมความคิดแท้ให้น้อยที่สุดเพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้รวมนิ่งสงบได้ง่ายได้เร็วค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างเวลาเเกี่ยวกับสักขายทิติอะค่ะพระอาจารย์ข้อหนึ่งของสังโยร์เคะพระอาจารย์ถ้าถ้าเราแบบว่าชาตินี้เราเรายังแบบไม่สามารถละตรงนี้ได้แต่ว่าเราเกือบจะละได้แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่า สมมติว่าเจ็ดสิบปอร์เซ็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราเราชาติหน้าเราเกิดไปอย่างเงี้ยเรามันจะอยู่กับเราต่อไปไปไหมหรือไปค่ะพอาจารย์หรือว่าเราต้องเริ่มใหม่อะไรมค่ะอาจารย์เราไม่รู้เหมือนกันนะมันเดี๋ยวเนี่ยแล้วแต่ว่ามันมันฝังแล้ก็ไม่ฝันได้ะอ่าโอเคค่ะ อาจย์เด่าไปกังวลเลยชาติหน้าเอาชาตินี้ก่อนดีกว่าทําให้ตอนนี้ยังมีชาตินี้อยู่รีบทําให้มันเต็มที่ก็แล้วกันค่ะคระอาจารย์ก็จะพยายามค่ะพระอาจารย์ถ้าเราไปคิดอย่า ง, าง oh. um, นี้เดี๋ยวจะทําให้เราขี้เกียจเดี๋ยวชาติหน้าเราทําต่อได้ชาตินี้เอาแค่นี้ก่อนอืมค่ะพรอาจารย์ถ้าเราไม่ทําต่อเนี่ยขนาดสมาธิสติถ้าเราไม่ทําต่อเนี่ยสั่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็หายไปเล้ยอืม มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยถ้าเราไม่รักษามันนะสติสมาธิเราสร้างมาหนึ่งถ้าเรายังถ้าเราปล่อยปะละละเลยไม่ทําต่อเนี้มันหายไปต่อไปจะกลับมานั่งสมาธิไม่ได้นะค่ะค่ะพระอาจารย์จริงค่ะพระอาจารย์ยังต้องพยายามรักษาทำที่เราสร้างขึ้นมาไว้ย้ายมันหายไปพระเจ้าบอกค่ะพ่ามันยังไม่เที่ยมมันยังไม่ถึงจุดที่มันเอ มันตมันมันไม่ลได้หมดเลยอ่าอ่ามันมันมันเป็นขั้นๆ่งพอได้ถึงขั้นสวรรค์ดาบันรัตเตปัญญาขั้นนั้นก็จะไม่หายแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยยังยังกําลังตายต้าไปอยู่เนี่ยมันก็เหมือนปีนเขาอ่ะมันเขายังไม่ถึงยอดมันก็เดี๋ยวก็ถลายลงมาได้เลื่อนลงมาได้อืแต่ถ้าเราเราตายตายขึ้นไปถึงยอดที่หนึ่งอ่นี่นั่นใจแล้วไม่ตกออกมาต่ำกันแะ้ว เราไป็นทกยอดที่หนึ่งแต่ยังมีอีกสามยอดที่เราต้องไต่ต่อไป<ม>ยังถ้ายังไม่ถึงโสดาบันนี่ก็โอกาสก็จะอาจจะลืมได้ก็ไม่มีอะไรค่ะพรจานันทร์งั้นอย่าประมาทนี่ทำแ่ให้มันถึงเงื่อนดีกว่าอย่าไปรอสมมัยมันต้องไปอยู่ดีไม่ใช่เลยเป้าหมายก็อยู่ตรงนี้แล้วอย่าให้ยังเอ่ยมันหลอกเราไป เวลามาให้กับการเป็นปฏิบัติพิจารณาไปเรื่อยๆในการเดี๋ยวมันก็ทะลุเองอะ่ะปัญญาคิดไปเรื่อยๆพิจารณาบ่อยๆมันตัวเราอยู่ตรงไหนวะร่างกายนี่มันเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี่บางคนหาดูนะี่อยู่อยู่ที่ผมเหรอเราเป็นผมเหรอก่อนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเะอ่าไม่หายใช่ไห ถ อ, อถอนฟันให้หมดถอฟันให้หมดไปแล้วเราหายไปกับฟันหนะรือเมันก็ไม่หายคือเราจะรู้จนกว่าเราจะเจอข้อสอบใช่ไหมคะอาจารย์ข้อสอบก็เป็นจะรู้ว่าเราปล่อยได้หรือปล่อยไปยไม่ได้ไงถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็ปล่อยอ <c oughs> มันจะเป็นอะไรก็เป <c oughs> ็นไปไม่ใช่เราะคนเดินตายเราไปเดือดร้อนเม่เห็นไหม <c oughs> เราก็ต้องมองร่างการนี่เหมือนกับมองร่างกายของคนเดินนะ เทากันเหมือนกันเห็นไหมว่าเรามาครอบครองมันเท่านั้นเองอแต่เราไม่เป็นมันเข้าใจไหมติดนี้มาครอบครองร่างกายเหมือนกับมาซื้อรถยนต์คันหนึ่งซื้อสมมุติร่างกายเหมือนตุ๊กตาทำไมนี่เขามีหุ่นยนต์เหมือนเหมือนคนจริงจริงใช่ไมอมแล้วก็มาซื้อหุ่นคือร่างกายนี้มาแล้วเราก็เอามาใช้มันทํานะทํางานให้กับเรา ใช้ให้มันไปชอปปิ้งให้เราใช้ให้มันไปพาเราไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยร่งางกายก็เป็นเหมือนหุ่นนะเป็นตุ๊กตาหุ่นตัวนึ่งแต่เราเป็นงคงที่ว่าเราเป็นมันนะเรต้องแยกแยกตัวเราออกจากมันให้ได้เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้มันทําอะไรแต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เลยเราติดต่อกับมันเหมือนกับเราติดต่อด้วยกระแสวทิทยุของโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเนี้ เคร่อรีโมทเนีครื่องรีโมทที่เขาเราใช้บังคับทีวีอย่างเงี้ยแล้วนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วเรากดปุ่มใช่ไหมค่ะไอทีวีมันเปลี่ยนช่องอะไรต่างๆเนี้ยเนี่ยเราก็ใช้รีโมทสั่งการให้ร่างกายทํานู่นทํานี่แต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่ในโลกทิพย์อยู่คนเละโลกกันใจใจนี้เป็นเป็นเป็นกายที่ผู้รู้พวกที่นี่เป็นกายที่มันอยู่ในโลกทิพย์ แต่มันใช้รีโมตดติดต่อกับร่างกายรีโมนี้เราเรียกตัววิญญาณไงวิญญาณทั้งท่าแล้วก็สังขารตัวสัง่งการความคิดปรุงแต่งวิญญาณเป็นตัวรับรูปเสีงยงหินลดมาจากร่างกายแล้วสังขารความคิดก็สั่งให้ร่างกายทำนู่นทนํานี่แต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันร่างกายกับเรามไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันต้องแยกแยให้เห็นชัด แบบทีว่าเราเป็นเราเราเป็นคนใช้รีมทอะอ่ะอแล้วทีวีนี่ไม่ใช่เราใช่ไหมได้ค่ะ <c oughs> แต่เราสั่งมันได้สั่งให้มันเปิดสั่งให้มันปิดใช่ไหมเปลี่ยนช่องได้อืค่ะก็ค่ะอ า, าจารย์กาเป็นนายกลายเป็นบ่าวสลบท์ก็คือง่ายๆเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ ร่างกายี่เหมือนรื่องร่างกายของคนอื่นงแต่ว่าเราเร า, เราไม่ไปกังวลกับร่างกายของคนอื่นเพราะว่าเราเหมือนกับเรามันไม่ได้เป็นสมบัติของเราแต่ร่างกายนี่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราเราต้องพึ่งมันเราก็เลยไปกังวลกับมันค่ะ <Okay. S 2> ในวิธีที้จะทําให้เราไม่กมังวลกับมันก็อย่าไปพึ่งมันเลยอย่าไปใช้ร่างกาย mm hmm. อฝึกสตินั่งสมาธิ uh huh. หาความสุขจากการปฏิบัติ ดีกว่าเอาร่างกายใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวหาความสุขกันค่ะต่อไปเราก็ไม่แค่ร่างกายจะเกิดจะเป็นจะตายเะีรก็ไม่แค่ถ้าเราไม่ต้องอาศัยมันนะอื <c oughs> แล้วมันต้องทำหลารอย่างคิดด้วยพิจารณาด้วยแล้วก็ต้องทําด้วยอย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายอพอเราไปใช้ร่างกายเราก็ต้องประหยาดให้ร่างกายมันอยู่กับเราไปนา น, านๆไม่อยากให้มันเป็นอะไรอ พอันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะตกใจจะทุกนะข์ใจอ่าอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะก็จะ้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ต้องใช้สมาธิหาความสุขจากการทําสมาธิดีกว่าหาความสุขจากการใช้ร่างกายค่ะน้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> ขอให้พระอาจารย์ธาตแข็งแรงค่ะเจารคุณซัน น, น, นี่ต่อซันนี่จากนามาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคำถามค่ะอยากทราบว่าถ้าผู้ที่เอ่อชำนาญทางด้านสมาธิอะค่ะแล้วได้รับยาสลบอย่างเงี้ยค่ะฉีดยาสลบจะสามารถเข้าสมาสิก เข้าสมาธิคลองสติไว้ได้ไหมคะได้เป็นคนละคนอย่างเงี้ยร่างกายก็คนหนึงใจก็คนหนึ่งมันคนละคนกันนะค่ะพอดีวันนี้หนูไปส่องกล้องมาค่ะก็ได้ยาสรุปเหมือนกันแต่ว่าหลับไปไม่รู้เรื่องเลยค่ะพระอาจารย์พยายามตอนแรกพยายามเจริญสติอยู่แต่ว่าเ อ, อคุณหมอท่านฉีดยาตอนไหนไม่รู้ก็คือแบบ วูบไปเลยค่ะไม่ไม่มีสติเลยค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ก็ไม่มีทําอะไรได้ค่ะพระอาจารย์เอ้วก็นึกว่าจะเผื่อจะได้เอเจอข้อสอบแบบคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่วันนี้ไม่ได้ทําข้อสอบนั้นค่ะแอบเสียดายนิดนึงค่ะก็ไม่เป็นไรยังมียังมีวันข้างหน้าอยู่รอค่ะพระอาจารย์ ค่ะไม่มีคําถามอื่นค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอ่าสาธุคุปุ้ยเจอร์ลักเบิร์กครับนมันสการค่ะพระอาจารย์โยมปุ้ยไม่มีอะไรวันนีเ้เพียงแต่ว่าจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะโยมอไปร่วมบุญมาหลายทีอ่อ่ร่วมบุญลงศพลงเย็นถวายวาดัดแล้วก็ โยมก็ไปร่วมบุญทําสังกทานแต่โยบุญที่โยมไม่เคยทําเลยแล้วมันปลื้มปิติมากเลยจะนํามาถวายพระอาจารย์คือโยมไปร่วมกระเบื้องทองคํามาค่ะทอทําหลังคาค่ะที่มีวัดลู้ศิษจ์วัดท่าจุงอะไรนะคะแล้วโยมก็ไปเสีย อ, อุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาเอา่อสีนะ่น่ะถวายน้ําถวายข้าวสารแล้วก็ไปถวายสังกทาน แล้วก็ไปถวายเหรียญทองอไปอยัง ไ, ออไงไปยังไงไปแบบไป <c oughs> ไปทางเว็บไซต์หรือไปทางถ่ายทอดสดได้ไงเลยเออโยมโอนไปทางโอนไปทางธนาคารหรือเพราะว่าโยมก็โยมติดตามเขาทางทางไลน์และทีนี้โ <c oughs> ยมอยู่วัดหนึง่งเขาแบบตรวจมนต์เพราะโยมก็เข้าไปไปเจอโดยบังเอิญว่าอุ๊ยวันนี้มันไมตรวจวดมนต์เพราะแล้วโยมเป็นคนชอบสวดมนต์ไอ้นี้โยมก็ มันเขาตรวดเหมือนเราว่ะพอเราสวจได้ทุกบทเลยแล้วก็เลยติดตามเขามาแล้วก็เออเราเห็นเขาโพสตแบบพระทเขาบอกทีนี้โยมกลัวโยมจะบาป ว, ว่าเอ๊ะเราก็มานั่งฟังพระสดวดมนต์ทุกวันเฮ้ยเราต้องร่วมบุญสิเอคือคือคือโยมคิดไปเองไงอย่างนี้โยมก็ ira, เลยอ่ะไปร่วมบุญกับเขานหน่อยแล้วโยมก็ไปช่วยทางวัดพระบาทน้าพุเอ่อเพราะโยมเห็นมีลูกศิษย์พระอาจารย์อยู่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าไปนวดนวดนวดโยมก็ <c oughs> ไปทํำก็ค่ะแล้วโยมก็ไปเ อ, อทําบุญกับ อ, อผู้ป่วยค่ะที่ผู้ป่วยกี่เตียงแล้โยมก็ไปถวายสังฆทานกับท่านด้วยเพราะโยมเข้าไปดูแล้วเขาบอกว่าถ้าเราทํากับอันเนี้ยแล้วเขาก็จะไปรักษาผู้ป่วยจริงๆแะเขาก็เอาสังฆทานไปช่วยเหลือคนจริงๆโยมก็เลยไปไปทำโยมทํามาหลายอย่างแต่สิ่งที่โยมไม่ได้ทําเลยคือโยมไม่ได้ช่วยเหลือ หมาหมาแมวยมยังไม่เคยทำเลยค่ะก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนก็แล้วกันใแต่ว่าอาทิตย์นี้โยมรู้สึกโยมจะหย่อนยานเพราะโยมถูกแกล่ะพระอาจารย์ผีมันแกลโยมอีกแล้วอ่ะพระอาจารย์ไม่มีผีหรอกกิเลกกิเลสม่นหลอกเราเองเพราะว่าโยมเป็นไรก็ไม่รู้กาแฟโยมก็แบบ โยมพยายามแก้ทุกอย่างนะแบบโยมไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องคิดเลยจิตมันว่างแต่ว่าโยมจะนั่งสมาธิแล้วมันมันมีอะไรมาแกล้งโยมก็ไม่รู้พระอาจารย์มันบอพระายโยมนั่งไปแล้วมันเหมือนกับใครเอายาสลบมาให้โยมอะโยมก็ล้มปุ้งไปเลย อ, ะอ่ะก็ฝึกสติไปเรื่อยๆก็แล้วกันเรพราะไม่มีสติมันก็เกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาถ้ามีสติแล้วมันจะไม่เกิด อาจารย์โยมน่ะเหมือนกับฝันมันไม่ได้ฝันน่ะโยมนั่งอยู่แล้วมันเหมือนมีคนมาเกอกพูดเกาะหูโยมอ่ะบอกว่าให้โยมอ่ะพูดโทพูดโทให้ถึงร้อยแปดคนและให้กดน้ําแล้วก็ค่อยไปนั่งสมาธิรยมก็ทําีนี้โยมก็ดีขึ้นแล้วพราะวันวันบริหัสวันศุกร์โยมก็ดีขึ้นโยมมีสติแล้ววันเสาร์โยมมีสติอาทิตย์เอาอีแล้วโยมเริ่มอีกแล้วเหมือนกับผีมาแกล้งโยมแบบก็ไม่มีสติพีก็เข้าทันที นั่งนึกสติกับมาอยู่ได้เลยใช่โยมโยมก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะผีมันจะมาหลอกหรือคือคือคือคือโยมก็กลัวๆนะโยมโยมมองตรงว่าความกลัวของโย ม, มาหายไปช่วงหนึ่งนะแต่พอมาช่วงเนี้ยแบบโยมรู้สึกมันเหมือนกับว่าพาเวลาเราจะนั่งเนี่ยมันเหมือนอะไรมาติดคอเราแล้วก็มันเหมือนอะไรแบบมามาทุกทุบหลังเราเหมือนกับทําให้เราปวดนะ่ะ โยมก็เลยบอกว่าขอสวดมนต์ก่อนเพราะวลาโยมสวดมนต์ก่อนมันก็เหมือนกับมีตัวขี้เกียจอะพระอาจารย์มันมาแกล้งโยมมันเรื่อยๆอ่ะโอเคก็ใช้สตินะถ้ามีสติแล้วมันก็จะไม่มานาะโอเคนะขอให้สุขใจเจริญนะใหมีสติมีมีสตางค์จิตใจจะสงบไม่มีปัญหานะขอขอให้ถูกหวยรวยๆนะพระอาจารย์เอาเลย อาจารย์ขอให้ท่านฉันจะถูกไม่ต erm okay. yeah, yeah. ้องขอหรอกถ้ามันจะมามันมาเองไงถูกแล้วค่ะโอเคาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงโยมทบทูลกับพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะอาจารย์สาธุสาธุคุณอริมุตากาลลางหลวงพ่อค่ะเป็นยังไงตอนนี้เดินปัญญาอยู่นี่เรื่อยเลย ทำทุกวันค่ะหลว่อก็ัวที่ลมแล้วก็พิจารณาสามที่สองแล้วก็รักษาความตายค่ะและวันนี้ยิ่งมาฟังหลวงข้อเทมันยิ่งตอบย้ำความเป็นจริงว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายเนี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้ด้วยปฏิบัติแล้วมันก็จะเห็นและทำให้เราได้ละได้วางร่างกายได้มากขึ้นรู้สึกไม่ต้องไปห่วง ว่าเออมันจะเจ็บจะป่วยเพราะเรห้ามมันไม่ได้ค่ะแล้วมันเรื่องความตายเนี้ยค่ะในจิตมันจะนึกว่าเนี่ยจะเหลือเวลาอีกมากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้องไปรับใช้ไอ้ร่างกายตัวเนี้ยค่ะหลองพ่อเพราะว่าค่ะหลวงพ่อยวางอย่าไปทุกข์กับมันมันไม่ใช่ตัวเราของเราค่ะแล้วเตอนนี้พอดี ย่าของลูกชายอ่ะเขาเขาเสียสม ก, ก็ไปรับศพก็ไปจับศพมันทําให้เรานึกถึงว่าร่างกายเนี่ยตอนที่ยังมีลมใส่ใจอยู่มันต้องเหมือนสูตสารนะคะหลวก็เหมือนสูตสานที่เก็บธาตุพวกพืชพวกผักอะไรพวกไปเราใส่เข้าไปแต่ว่าร่างกายเดี๋ยมันก็เอาออกมาเนี้ยจนกระทั่งลมหมดพอมันทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งกายตรงเนี้ยคะ่ะหลวพอมัน มันเหมือนกับต้นไม้ต้นอืนอะไรเหมือนกับแล้วก็เออมันก็ไม่มีอะไรมันก็มันก็ไปปล่อยทิ้งไว้แล้วจิตมันก็จะไปที่อื่นเนี้ยค่ะเหมือนพอมันก็เหมือนมันไม่มันก็แค่เนี้ยค่ะชีวิตไม่มีไม่มีอะไรเหลือร่างกายก็รูนธาตไปเหมือนเดิมคน่ะแล้วจิตมันก็ไม่ได้ไม่ได้มานั่งกังวลหรืออะไรเนี้ยค่ะ มันไม่มีไม่มีน้ําตาไหลมันเฉยเฉยไม่ไม่มีไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็วันนี้หนูก็อยู่มามาเข้าสู่หลงพแล้วก็พ่อรุ่นเขาก็ไปงานศพกันหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ไปกันมาฟังคำหลวงเออเห็นมันก็เห็นความจริงไปเรื่อยๆค่ะเพระว่าเดี๋ยวมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปแค่ตุ๊กตาตนหนึ่งในน่างกายค่ะหลวงพ่อไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับ<อ>คืนสู่ดินน้ํำลมไฟคแล้วมันทําให้เราไม่ต้องไปห่วงหนูห่วงแม่ห่วงลูกแต่พอมาเห็นเห็นเรียนหน่อยข้อสอบเริ่มลอ้อรอบตัวเข้ามาร ใ, ใกล้ๆอย่างเนี้ข่อมันมันยิ่งเออมันไม่น่าไปห่วงอะไรทั้งนั้นเลยข้อมันควรที่จะปล่อยไปเรื่อยๆเพราะทุกคนต้องผ่านตรงนี้ทั้งหมดค่ะหลวงพ่อจะช้าจะเร็ว เมื่อไหร่ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหมดเวลาก็ต้องไปค่ะหลวงพ่อค่ะดีอย่าไปทุกข์กันนะค่ะหลวงพ่อโอเควันนี้ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะได้ฟังคําเทศคําสอนที่มันมันตอบย้ำความเป็นจริงชัดยิ่งขึ้นเข้าไปอีกค่ะหลวงพ่อกลับขอบพระคุณอย่างสูงสูงค่ะอ่าดูค่ะขอบคุณค่ะคุณแดนคุณแนนอุดรธานี น้ำแกรนะแมสกนพรอาจารย์รูปไมีถามแล้ค่ะโอเคไดคุณนัดกับคุณต้าใช่ไมคุณนัดใช่ไหมคพระอาจารย์นัด่นมันสการพ ร, พระอาจารย์ครับน้ำมัสการครับพระอาจารย์ครับอ่าเรืองานเองานนีน่ัเรื่องงานนีอ่อะไรนะคะเรื่องงานนียเรื่องานอาจารย์จาได้ว่าบางวันจะยังเลิ่ไม่ทันเพลินวันวัน วันพุธจะเป็นวันที่ติดงานถึงค่ําเลยครับแต่วันอื่นก็ยังไม่เล่นเย็นมากครับอ่าทำพอประมาณก็พอนะตายไปก็เอาไปไม่ได้คครับเอาขอ ง, งที่เราเอาของที่เราเอาไปได้ดีกว่าเอาสติเอาไปสติเอาไปได้สตังเอาไปไม่ได้คะครับจริง ค, ครั บ, รบาจารย์ของหนู<ม>ก็ต้องอยู่กับพุทโทตลอดพยายามแต่ว่าเพราะว่าถ้าช่วงไหนที่ทําไม่ได้พุทโทรปุ๊บมันจะแบบ หลุดไปในความคิดแล้วแบบตั้งใจคิดแค่เรื่องเดียวคราวนี้มันจะไปแบบโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะพระอาจารย์แล้วสติปีเลยไม่เอาไปหมดเลยใช่ค่ะจริงๆค่ะยังรู้สึกว่าในชีวิตแต่ละวันคือยังโดนกิเลสลากไปมากกว่าแต่พยายามพยายามค่ะพยายามจะตั้งสติค่ะพยายามฝืนใช่ต้องใช้คำว่าฝืนจริงๆค่ะพระอาจารย์ อ, อยู่ในอยู่ในเตะที่แบบพยายามฝืนอดทน ฟังธรรมาพระอาจารย์สอนแล้วก็เนี่ยคะ่ะฝืนไปทุกวันนะคะพระอาจารย์หวังว่าวันหนึ่งจะจะแบบหยุไม่ต้องฝืนมีสติได้ดีโดยไม่ต้องฝืนค่ะอยาก เ, เรียนเรียนถามพระอาจารย์อยากให้อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำการเจริญสติระหว่างวันที่ที่อาจารย์จะเน้นย้ำเรื่องนี้ตลอดว่าอย่างอย่างถ้าผู้ทุชนรู้ดวไปที่ทำงานทั้งโลกอย่างนี้ อาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรบ้างครับว่าให้มีสปีระห ว, าวา่างวันนี้ทํำยังไงหรือว่าต้องพุดโธไปอย่างนี้ครับพุดโธก็ได้แล้วสลับกับการเข้า <icho> ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ครับร่างกายกําลังเดินก็อยู่ให้มีสติียวกับร่างกายไปร่างกายกําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับร่างกายไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับเรื่องการรับประทานอาหารของร่างกายไปร่างกายทํางานก็ให้มันอยู่กับงานที่กําลังทําไป เป็นการฝึกสติคอยดึงใจไม่ให้ลอยไปที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดครับอาจารย์เพราะฉะนั้นบางบางครั้งก็คือดูการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็สลับกับบริกรรมพุทโธก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมได้ทำไท้กันได้สลับกันได้เนี่ยอย่างถ้าถ้าคิดเรื่องงานก็เหมือนเราก็ต้องมีสติว่าเราคิดแค่นี้อย่างนี้ใช่ไหมคะคิดแต่เฉพาะเรื่องงานพอคิดเสร็จก็หยุดถ้าจะไปคิดเรื่องอื่นต่อก็ใช้พุทโธหยุดมันี อ่าครับอาจารย์ค่ะแต่จะไปเป็นการบ้านที่จะต้องปฏิบัติในช่วงนี้เลยค่ะครอาจารย์น้องนำปฏิบัติครับขอให้อาจารย์ทัดขันแข็งแร่นะคะอยาครับคุณยินดีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะเข้ามากราบค่ะท่านอาจารย์เดวินเหมือนเดิมค่ะบอลชองเต้ค่ะท่านอาจารย์ ยังอยู่ที่แคนซัสอยู่ใช่ไหมระยายไปแล้วยังค่ะยังอยู่ที่แคนซัสค่ะเออเอกสารเข้ามาก็บอกว่าประมาณสิบห้าค่ะเขาออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าสิบห้ามกราค่ะอืมโอเคก็ค่ะฝากขอบคุณด้วยนะค่ะขอบพระคุณท่านจเป็อย่างสูงค่ะที่เมตตาเาเถอคุณทวิษา์ชวยสแลนได้อยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้อยู่เมืองไทนหรืออยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ าสส ก, การรัสกรรมค่ะยูสวิตเหมือนเดิมค่ะยังยังไม่ได้กลับเมืองไทยค่ะพระอาจารย์ให้ไปห ล, หลายเดือนเลยค่ะพระอาะจารย์สี่ห้าเดือนสบายตามอัตภาพค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เจอเข้าสอบโดยโดยโดยไม่ตั้งตัวครูพรอาจารย์เข้าห้องสอบให้เข้าห้องสอบก็ สอบตกครับพระอาจารย์คือมันก็ไม่ผ่านก็รู้ตัวว่าจะต้องทําการบ้านน้อยไปหน่อยต้องทําการบ้านมากมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ข้อสอบมันทําไมข้อสอบมันหนักจังเลยครับพระอาจารย์คือบางครั้งข้อสอบที่เข้ามาตั้งแต่สีหาเดือนที่ผ่านมาถ้ายมทําได้ยอมว่าลมคงจะหลุดพ้นแน่คือข้อสอบทำไมมัน มันเพิ่มเลเวลขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นสำหรับโยมนะคะมันไม่เลือกคนะมันไม่เลือกเวลามันจะมามันก็มาตามเหตุตามปัจจัยเราเราเราเลือกไม่ได้มันจะทำข้อสอบเบาเบานอนแล้วค่อยไปทําข้อสอบหนักเวลามันมามันมาได้หนักก็หนักก็มาเบาก็มาแล้วแต่มันเราต้องเตรียมรับกับทุกข้อสอบใช่ค่ะพระอาจารย์โยมโยมตอนแรกโยมคิดว่า ระดับเราน่าจานนุบาลข้อสอบก็น่าจะเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยโยมพอผ่านมาโยมมันข้อสอบมันมันมันหนักมากแต่โยมก็พยายามใช้สติแล้วก็พิจารณาค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็มันเหมือนจะไม่ผ่านแต่มันก็เหมือนแบบว่ามันมันรับได้ค่ะพระอาจารย์คือกษณะแต่คิดว่ามันให้แบบมันโล่งโป่งเลยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าอยู่กับมันได้อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วก็ ค่ะแล้วก็มีเวลาที่พระอาจารย์เทศก็เหมือนเหมือนทุกครั้งที่พระอาจารย์เทศเ ห, เหมือนเหมือนมันเป็นกําลังใจให้โยมฟังทุกครั้งพอโยมเปิดฟังก็คือบางครั้งก็ทนันบางครั้งก็ย้อนหลังที่เทศสดนะคะทั้ง<ม>ทั้งทั้งไม่สดด้วยคือเหมือนเหมือนแบบมันอยู่เหมือนเหมือนมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยพระอาจารย์พอฟังแบบเหมือนพระอาจารย์มาแก้มาแก้มาแก้โยมก็ ได้ทำของพ่อจารย์ที่พ่อจารย์เทศนะคะก็ดีมากเลยค่ะพร่อจานโยมก็เลยค่ะก็นึกถึงคําเทศของพ่อจารนที่ที่ที่พูดอ่าหลายๆอย่างนะคะแบบบางครั้งเราแบบต้องรักษาทำเพื่อรักษาชีวิตอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลีข้อนั้นนะค่ะแล้วก็แบบทั้ง ทั้งข้อที่พระอาจารย์เทศเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องอเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่อเกี่ยวกับอพระพุทธให้พระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งให้เราคิดยังไงมีวิธีคิดแบบไหนบางครั้งคือบางครั้งเราคิดว่าอุ้ยเราก็อ๊รักษาศีลมาดีนะเออศีล น, น่าจะรักษาเรานะาอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็นึกถึงว่าเออ พระธรรมน่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้อะไร่เนี่ยคือบางครั้งมันติดเข้าไปว่าอุ๊ยเราน่าจะผ่านตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันยังคิดข้อนี้อยู่ค่ะอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าไอ้ที่อมคิดตรงนี้นี้มันเป็นอ่าที่เขาเรียกว่าศีลพัตตมาตรหรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่หรอกควคิดกันถ้ามันถูกเป็นความจริงมันก็ไม่เป็นศีลรรพัตตมากินยังไงอ่ะที่ว่าเป็นศีลพัตตมากินยังไง คือคือยมคิดว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเอเรามีพระพูดพระธรรมพระทรงเป็นที่พึ่ง runs, แต่ว่าที่พึ่งของเรานี้เราต้องทําเองแต่นี้เราก็ยมก็เลยคิดว่าไอ้โ ย, ยมก็ก็รักษาศีลมาทําทุกข์มาแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเข้ามาสิ่งนี้มันอาจจะช่วยปก ป, ป้องยมได้อะไรอเงี้ยค่ะยมคิดอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอพระพูดพระธรรมพระทระงน่าจะปก ป, ป้องยมได้โยมคิดแค่นี้ค่ะยมคลิกแค่นี้โยมคิดแบบ น, นี้มันมันไม่น่าถูกมันมันคือ มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่าเป็นเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆมันก็เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขงังอนัตตาใช่หยกก็เลยคิดว่ามันไม่แต่ร่งางกายพระเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่สิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเร า, าคือใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราข้อสอบเป็นาขนาดไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทําให้ใจเราเฉยๆไม่เดือดร้อน อคค่ะตรงตรงนี้โยมก็ตอนแรกโยมโยมโยมยมก็คิดแบบเหมือนแบบว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์พี่โยมโยมโยมระลึกถึงเนี่ยอาจจะช่วยโยมได้อะไรเงี้ยค่ะคือครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ที่โยมก็เอ๊ยมันก็ต้องเป็นไปตามกฎอันนี้จังโยมก็มันคิดแบบนี้เหมือนเดิมมันช่วยช่วยจิตใจเราได้ช่วยจิตใจให้สงบแต่ร่างกายของเราทรับย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่ท่านช่วยไม่ได้หรอก คค่่ะะจะหมดก็ต้องหมวดใช่ค่ะที่พระอาจารย์แต่อิยมก็เลยยมก็เลยแบบมันมันมันจริงทีนี้ยมก็เลยแอบการที่ยมคิดตอนแรกที่ยมเหมือนเหมือนหวังเหมือนหวังพึ่งว่าอุ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอยมก็กลับว่าเออมันมันก็เป็นไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปแต่เราจะต้องอดำรงทั้งข้อตามที่เรามี ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้มันให้มันให้มันถูกต้องให้มันให้มันใสสะอาดจริงๆอะไรเงรรี้ยค่ะพระอาจารย์คือ<บ>รักษาศีลให้บริสุทธิ์ค่ะคือคือบางครั้งมันบริสุทธิ์แต่มันมันเขาเรียกอะไรพระอาจารย์คือถ้ามันเป็นละเอียดไปแบบสมมติว่าพูดยังไงดีคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเราเราพูดบางครั้งเราเราทําในสิ่งนี้ ในสิ่งนี้ดรืเราพูดในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นความจริงคือคือเราไม่ได้พูดแต่เราเราเงียบไว้แต่เราไม่พูดอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ทำไมพูดก็ไม่ผิดศีลทาไมพูดก็ไม่ผิดศีลค่ะแต่ว่าเราในใจเราก็รู้อยู่ว่าอืเรารู้อยู่เราเรารู้เราทําอยู่แต่ว่าเราเราเราไม่ได้พูดไปอย่างเนี้ยค่ะแต่คือเราไม่ได้โกหกนะค่ะพระอาจารย์ใช่เขไม่ผิดศีลทําไมพูดอืมอือไม่ผิดศีลแต่แต่เหมือนในใจว่าเราเอเราก็รู้อยู่มันก็เลยแบบ มันมันก็ยังทั้งๆท่าคาอยู่แล้วคะพระอาจารย์ก็รู้อยู่ไงรู้ว่าเราทําผิดนะแต่ไม่พูดที่ว่าเราทําผิดนะไม่ใช่สารภาพอย่างนี้เลยประมาณประมาณอย่างนั้นกนะ็คือบางคือประมาณว่าเราเราก็รู้ว่าเราผิดแต่มันมันก็ไม่ใช่ความผิดที่แบบว่าจะต้องอะไรมากมายแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราผิดอยู่แต่เราก็เงียบเงียบไปถ้าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยว่า เหมือนกัเราแบบว่ายั ง, ย, งยังมันมันยังไม่ดีพอค่ะพระอาจารย์ถ้ารื้อว่าเพียก็พยายามอย่าไปทำซ้ำเอตุการแล้วกันค่ะคือแบบว่าเราต้องบางครั้งโยมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบางทีเหมือนที่พระอาจารย์เคยเทศบอกว่าถ้ามันเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็อย่าไปตีตนไปก่อนใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งโยมก็เลยคิดว่า เออถ้ามันเกิดมาเราก็รับได้ล้วก็อะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยว่าคืออะไรจะมาเราก็ต้องต้องต้องรับกับกับสิ่งที่เราทำที่เราเคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าอือยังไงอะคือคือคือต้องยอมรับในด้านอันนี้จังว่ามันจะมาก็มามันจะไปก็ไปไอะไรก็เกิดงินต้องเกิดขึ้นค่ะ<อ> เราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อเราก็จะต้องไปพูดรับผลของกรรมนั้นชาทรืงเร็วนล่ค่ะ้ค่ะอันนี้ยมยมยมยมไม่ไม่ไม่ติดในเรื่องขั้นเรื่องนี้เลยค่ะแต่บางครั้งที่ที่ยมยมยังคิดอยู่ก็คือเหมือนกับว่ายมอ่ะยังเหมือนกับหวังพึ่งวังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบว่าเอ้ยอย่าให้ปกป้องคุ้มครองเราอยู่เงี้ยค่ะยมยังคิดไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มครไม่ได้ ใค<า><ม>่ยมเป่เป็นผู้สอนเราทั้งเองค่ะโยมก็เลยว่าโยมพยายามใช้ตรงนี้ว่าบางบางครั้งมันยังคิดแวบอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่านน<อ>เรียกว่าจทิฏฐิเี่ว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิค่ะบางครั้งมันยังมันยังแวบเข้ามาอยู่ว่าอุ้ยเราเราก็ถือศีลเราทําะไรนี้อยู่นะสิ่งที่เราทํามาน่าจะคุ้มครองเราได้บางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือมันยังมีแวบเข้ามาอยู่โยมก็เลยว่า ตรงนี้เราจะแก้ยังไงคะหมายถึงว่าเราก็ต้องทําสมาธิให้เบิกขงแล้วก็มองไปคพื่ออะไรจะเกิดเราไม่ห้ามไม่ได้หรอกเห็นแต่ว่าถ้าเราเหตุการณ์ที่จะเกิดมันมันถ้าเราไม่ได้ทําบาปเหตุการณ์นั้นมันก็จะไม่เกิดกับเราค่ะคือมันบาปมันมีผลบุญมันไม่ผลค่ะถ้าเราทําบาปมันก็ก็อาจะเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดเรา ใช่ก่อนเราไปขโมยเงินของคนอื่นมาชาในลานจะถูกเขาขโมยไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครนะมามามาคุ้มครองเราได้ไม่มีใครมาสามารถทําให้มันไม่เกิดได้เพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมใช่ค่ะจงก็เลยพยายามจะมองตรงนี้ให้แบบว่าให้ให้ให้ให้โยมแบบให้ให้โยมไม่<ำ>ไม่ติดทํากรรมใดว่าจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นหน่อยค่ะโยมพยายามจะใช้ข้อนีอ้ข้อนี้มาเตือนอยู่ว่า โอเคเราทำการมานายไว้ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามมันจะมาก็มามันจะเป็นยังไงเราก็จะยอมรับเพราะกรณีพ้ะไม่คนเนี่ยมันจะเกิดก็เกิดพระโมคคัณะยังถูกเขาฆ่าตายเลยค่ะข้อนี้ยมก็ยมก็ฟังกันค่ะยมก็เลยในแต่ถ้าเกิดยมก็เลยคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะเลื่อนขั้นเหมือนที่พระอาจารย์บอก ตั้งแต่ขั้นและอริยะเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันบริสุทธิ์ให้มากที่สุดคือเป็นตามลําดับขั้นถัดๆไปอะไรจะมาก็มาอะไรก็ดีเหมือนกนันถ้าเกิดมันมาเราก็จะได้เคลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเราต่อไปเราก็จะอ่ไม่มีอะไรติดค้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อย่างนี้โยมก็เลยคิดคิดคิดแบบเนี้ยค่ะว่าลมเราจะได้เราจะได้เริ่มเริ่มแบบว่าเหมือนกับ เอ่อเคลียร์ อ, อะไรคะเริ่มแบบใสแบบว่าไม่ติดค้งไม่มีอะไรค้างค้างอยู่ค้างคางในใจเราอะค่ะพระอาจารย์ว่าเอ้ยเรานะเคยเคยแบบนี้นะเคยทําแบบว่าโอเคอาจจะมีอะไรปิดปกปิดอยูอะไรเงี้ยต่อไปถ้าเกิดมันเคลียร์ได้อะไรอย่างเงี้บบ ย, ยทุกอย่างเราก็จะได้เราจะได้แบบว่าได้เราปรับปรุงแก้ขไขตัวเองได้ อดีตที่ผ่านมาเราทําไม่ดีอย่างไรเราอย่าไปกลับไปทําซ้ำมันก็เท่านั้นแหละค่ ะ, คะแต่เราห้ามไปห้ามวิบากที่เราทําไว้ไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมันกจะตามตา ม, ตามเรามาต่อไปครับครับพระอาจารย์แต่เราแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราได้ง่จากเป็นคนที่ชอบอปกปิดชอบอะไรนี่เราก็ไม่ปกปิดกันได้ต่อมาล้วก็เปิดเผยค่ะเราคิดว่าการปกปิดไม่ดีไม่ควรก็เราก็อย่าไปทำเลยครับพระอาจารย์ค่ ะ, ค ะ, คะ แล้วทีนี้ยมถามอีกข้อหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเหมือนกับการทํางานอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราทํางานแล้วเราไม่ต้องการเราต้องการเหมือนที่โยมเปิดร้านยมก็ปิดร้านคือยมไม่หาทรัพย์แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนข้อนี้มันเหมือนพัฒนาเราไหมคะว่าเหมือนแบบเราไม่หาทซั์แล้วแต่ทีนี้มันจะมีโจทย์เข้าใหม่เข้ามาก็คือ ทรัพย์ที่เรามีอยู่มันกําลังจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องข้อ น, นี้มันเหมือนกับพัฒนาให้เราลดความโลภลงอีกหรือเปล่าคะ ท, ที่ทิศชนประจดข้ามาสมมติว่าเราต้องสูญเสียสิ่งทรัพย์สินเงินทองออกไปอย่างเงี้ยก็เราต้องมีเหตุผลไงการมีทรัพย์นี่ก็ต้องมีเหตุผลว่าเราต้องมีทรัพย์ไว้สําหรับเลี้ยงดูเราปัจจัยสี่มันก็ต้องมีอย่างเี้ไม่เป็นความโลภ แต่ถ้าอยากได้มากเกินกว่าที่มันจําเป็นเนี่ยจะเรียกว่าความโลภ<ะ>ถ้าถ้าเป็นความจําเป็นแม่ถือว่าเป็นความโลภ ก, ก็ต้องต้องมีต้องหาไว้พายังต้องไม่บินธบัตินี่แต่ถ้าไป็นบินทบัติมาสองเที่ยวเนี่ยโลภละอันธบัติโลภวันเดียวรอบเดียวก็พอพออยู่พอกินแล้วแต่โลภอยากจะไปบินทบาตรอบสองนี้ก่อนเพนนี<ะ>้ไปบินธบาัอย่างรอบหนึ่ อย่างนี้ในวัาโลกครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราจะต้องสูญเสียออกไปถ้าเราทําใจได้อย่างเนี้ยเราจะแบบเราก็ไม่ทุกกันเลยเราก็ไม่ทุกถ้าเราไม่ทุกกับมันนี้เราเราจะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ทุกกับสิ่งนี้ข้อสอบข้อนี้เราผ่านใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เวลาสูญเสียทรัพย์ไปแล้วเราไม่ทุกการแสดงว่าเราไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเของเงินทองแต่ถ้ามันไม่พอใช้ก็ไปหามาเพิ่มได้ อย่างนี้อย่างนี้ไม่ถว่าโลกแต่ว่าเกิดขโมยขึ้นบ้านเล่นโดนโดยคนเข้ามาแฮ็กในบัญชีเราเงินที่มีฝากไว้หมดศูนย์นี่นี่ทำไงต้องต้องซื้อข้าวกินต้องจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ต้องไหาเงินมางี่ไม่โลกนี่ไม่เรียกว่าโลกแต่ว่าฉันอย่ถ้ามีถ้ามีมีเกินก่อนที่เราจะมันจะต้องมีแล้วเนี่ยถึงจะโลก เป็นสมมติเรารมีร้านเดียวก็ออยู่ได้แล้วแต่อย่างนี้แล้วสองร้านเผถอไว้หน่อยอย่างนี้ก็เรียวกว่าโลภได้นะ้วค่ะโอเคถ้าเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่แบบโอเคเราต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าเราก็ต้องเอ้ยเก็ต้องมีกินมีใช้ก็ต้องหาใหม่แล้วก็ต้องทำเองถ้ามันมีความจำเป็นก็ท <ำ S 1> ได้ทําได้ ไ, ดไม่เป็นความโลภไม่เป็นตันหาความอยากค่ะคือบางครั้งถ้าเกิดตอนแรกมันก็สมมติว่าสูญเสียทรัพย์ไปถ้าเกิดมัน เหมือนที่อาจารย์บอกโดนแฮกโดนอะไรไปเราก็รู้สึกเสียดายแต่พอเราพิจารณาพิจารณาไปแล้วเราก็เออมันก็ไม่มีอะไร่มันไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงสมบัติชั่วข้าวค่ะค่ะค่ะังไม่ทุกขตรงนีค่ะถ้าเราไม่ทุกข์จะแสดงว่าเราเราก็ข้อนี้ผ่านอานเรายิ้มได้เออมันเป็นการนิจจังไม่เที่ยงในหน้าตาไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราต่อไป ใช่ค่ะพระจารย์ค่ะอีกข้อห น, นึ่งค่ะระอาจารย์ช่วงนี้เยอะมากท้าเลยว่ามันเลไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าอ่คนรอบข้างเราหรือคนใกล้ตัวเราเราพยายามปลอบเ้าโดยที่บางทีเขายังไม่เข้าถึงธรรมะแบบวางใจได้หรืออะไรได้แต่เราต้องแบบคือเขาไม่สามารถที่จะนั่งนิ่งๆหรือทําสมาธิหรือทําใจได้ทําใจได้แต่ว่าแต่การที่เขาออกไปข้างนอก หมายถึงว่าต้องพาไปแบบลื่นเรืองสังสรรค์เพื่อให้เขาเพื่อให้เขาผ่อนคลายตรงเนี้ยบางครั้งเราเป็นสิ่งที่เราเราเราเราจะต้องทําอันเนี้ยเราแต่เราทําไปไม่ใช่ว่าเราต้องการเราต้องการเอนเตอร์เทนเราแต่หมายถึงว่าเราต้องการช่วยเหลือคนข้างกายเราอย่างเงี้ยมันจะทําได้ไหมคะได้ได้ทำได้ถ้าเราไม่ได้ทาเพื่อตัวเรามันก็พาเขาลงไปโรงพยาบาลนพอเป็นสบายแล้วก็พาเขาไปโรงพยาบาล อย่างนี้เขาไม่สบายใจเขาต้องพาเขาพาเขาเข้ามาเข้าผับก็พาเข้าไปเพราะยังไม่รู้จักวิธีรักษาใจที่ถูกต้องเขาอาศวิธีนี้ก็ต้องพาเข้าไปแต่เราอย่าไปอยากไปร่วมกับเขาว่าแล้วกันคก็ไปดื่มน้ําส้มแทนหรือดื่มกาแฟแทนแล้วก็จะดื่มเหล้าดื่มแล้วก็ปล่อยก้อดื่มไปค่ะก็คือถ้าจะเป็นเข้าผับเข้าบาร์ก็มีแต่บางทีแบบ ต้องพาไปเปลี่ยนสถานที่ไปแบบครเปได้ทำมาจารย์ยมด้วยแต่ว่ายมมันไม่อยากไปมันไม่ไมันไม่ได้มานจับความอยากของเราเรามันเราไม่เราไม่ไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าเราเลนกเล็กก็อยากจะไปด้วยเออดีพอเป็นจังหวะก็เลาอย่างเงี้ยเป็นกิเลสไม่ได้ไปธนาแล้วอยากจะไปเท่าหน่อยอยากจะไปดูตอนแรกอาจจะไม่คิดเพราะอไปอาจจะคิดก็ได้อคิดก็ต้องหยุดมันละคิดก็ต้องหยุดต้องหยุดมันใช่ไหมคะ ถ้ามันทำมันเป็นความอยากของเรานี่แสดงว่าผิดแล้วแต่ไม่ใช่เป็นความอยากมันเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นความจําเป็นที่เราต้อ ง, องดูแลเขาช่วยเขาก็ทําไปค่ะพระอาจารย์ต้องใช้เหตุผลอย่าอย่ใช้ความอยากค่ะใช้เหตุผลว่าโอเคเราช่วยเหลือเขาแต่ในเมื่อเขายังอยู่ในขั้นที่ยังเ ห, หน่อนี้ไม่ได้เราก็อืแล้วจ่ายใจก็แบบนี้ก็พาเข้าไปค่ะ ยองก็มีเรื่องล่าพ่อมานเนี่ยค่ะพระอาจารย์ที่ที่ติดขัดข้างท า, างแล้วก็แบบไม่ใช่คือข้อสอบมันก็ยังแต่ยองก็พยายามใช้สติอยู่ค่ะคือบางครั้งเบรคามันก็มันอาจจะหายไปนานเลยเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่โยองก็เรียนใช้สติแล้วก็ฟังเทศแล้วก็เอาปัญญาพิพิพัฒอาจารย์เทศสั่งสอนมามาพิจารณาก็อย่างที่บอกค่ะคือมันช่วย ช่วยยมได้ได้มากมากเลยค่ะปาจัน ด, ดีมากมากับขอบพระคุณพาอจย์มากมากค่ะขอบคุณพระคุณค่ะจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นะตอนแรกยมกลับว่ายมจะกลับเตือนมักราลาปีหน้าแต่เหตุการณ์อะไรที่มันมันยังข้างค้างคาคาไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับ ก็อยู่ต่อไปก่อนค่อยควาอมเมื่อไรค่อยกลับเมื่อไหกันค่ะพระอาจารย์โอเคอารย์ไหมเหตการณ์ทุกอย่างผ่านไปแบบเรียบร้อยเหมือนเหมือนพายุฝนก็แล้วกันมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปครัทำใจาย์เฉยๆไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างครับเหมือนพระอาจารย์พูดเหมือนครั้งหนึ่งนานมาแล้วยมเคยฟังพระอาจารย์บอกฟังภาษาอังกฤษคำหนึ่งว่า let it be ปล่อยมัดไปยมก็พยายามจาคํานี้เหมือนวันนึ่งยมนั่งรถไป เพลงนี้มันเปิดขึ้นมาในสถานีวิทยุย ม, มนั่งยิ้มหัวร้อยอยู่คนเดียวจังหวะเดียวกันเลยว่ยทำไมปังเ อ, อ้ยอย่างนี้ยมก็เลยห่อเพลงขึ้นมาบบยมนึกถึงคำอาจารย์เคยพูดไว้เลยค่ะว่าเพลงนี้เนี่ย<า>อาจาคุณปล่อยวางปล่อยวค่ะขอบพระคุณมค่ะค<อ>่ะค ข, ขอบพระคุณครือ อ่านได้ ค, คนออนไลน์คนออนไลน์เลดิดบีใช่เปล่าพยายามเลดิดบีเลยค่ะพระอาจารย์อย่าอย่าเป็นเลดิดบีมีก็แล้วกันนะไม่คนละอย่างเลยเลดิดบีมีนี่ไปอีกเรื่องหมายเป็นของฉันนี่ไม่ดีแล้วนะใช่ไหมนอาทิตย์ที่ผ่านมามีมีการว่าเล็กเล็กนิดหน่อยครับว่าเหมือน มีเอาเราไปพูดพูดไม่ดีนิดหนึง่งตอนแรกก็คือข้อความมันกลับมาถึงเราเราก็จริงๆก็สะเทือนนิดนึงแล้วก็มาคิดว่าจะเข้าไปแก้ตูจะเข้าไปอธิบายดีไหมและโยมก็คิดว่าเออไม่อ่ะเพราะว่าจริงๆ ก, ก็มาดูข้อความที่กลับมาว่าเออเราก็อาจจะมีส่วนไม่ถูกต้องอย่างที่เขาว่ากลับมามองว่าเออพอกลับมามองว่าเราอาจจะไม่ถูกต้องอย่างที่เขาว่ามันก็เลย มัก็คลายนะพัารแล้วแล้วก็คิดว่าเออไม่ไม่ไม่อยากจะเข้าไปอธิบายหรือต่อความยาวทีนี้พอเราทิ้งไปสักช่วงนีดเดียวเองมันก็เหมือนดับไปพัชความความรู้สึกที่ตอนแรกมันเหมือนแบบเออทําไมถึงต้องมาว่าเราอย่างนี้ทําไมไม่มาพูดกับเราตรงตรงไปพูดรับหลังทําไมอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแตว่แล้วก็คิดว่าเออไม่เอาดีกว่าเราก็ อ, อ, อาจจะผิดอย่างที่อาจจะทําไม่ดีอย่างที่เขาว่าอาจจะต้องปรับปรุงตรงนั้นจริงๆริงพอเรามามองอย่างนี้แล้วก็คิดว่า เออก็รับเข้ามาแล้วก็ดูว่าถ้ามันจริงเราก็ปรับปรุงถ้ามันไม่จริงก็มันก็ไม่จริงเท่านั้นแล้วก็พอเราคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่คิดอีกว่าเนี่ยความรู้สึกที่เราแบบมันน้อยใจหรือโกรธเนี่ยมันคือการที่เราคิดว่าอันนั้นมีเราขึ้นมาละเราเริ่มแบบมันมีเราละจริงๆมันไม่มีเราหรอกนะเราต้องมันต้องไม่มีเรามันถ้าเราเคำว่าอะไรมีอารมณ์นั้นอ่ะยอมจะคิดเลยว่าอันละความว่ายึดมั่นถือมั่นมาละมีคำว่าเราขึ้นมาละเราถึงมาสะเทือนมากอย่างนั้นอย่างนี้พอวางได้มัน มันก็โล่งเลยภาษามันโล่งเลยมันเหมือนเป็นเออนานๆเพรมันมีข้อสอบมันก็ดีเหมือนกันว่าจันงยาวหยุดเย็นพปยาวแล้ก็หยุดแล้วก็เย็นไปก็พูดไปายก็ทําไปมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไงใช่ค่ะแล้วพอมันพอเราไม่เราเราก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่าพอเราตัดสินใจไม่ไม่ไปต่อความยาวเขาก็หายนะมันตัวเขาก็เหมือนกับว่ามันทุกอย่างก็คลายทุกคนก็รอดูนะว่า เราโยงจะโยงจะมาแบบตอบไหมจะมารีแอคอะไรไหมเพื่อนเขามีคําพูดว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวจรินะแล้วมันก็เหมือนกับเออบรรยากาศมันก็จะดีอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยแหละเรารู้เลยตอนนั้นเราเป็นคนอยู่ในมือเร า, เราถ้าเราไปน้อยกับเขาเนี่ยเราก็นั่งก็ผพ่นนะได้ค่ะได้ก็เป็นอย่างนั้นแต่อันนั้นก็เลยอ่าเป็นข้อสอบเล็กๆก็คิดว่าดีเหมือนกันเพราะว่ามันมาแล้วเราก็ได้ใช้การพิจารณา คิดเออมันก็เขาผ่านไปเราก็เห็นว่าอ๋อนี่แหละไอความรู้สึกเราแล้วมันก็ดับแล้วว่ามันหายมันก็หายมันมันก็ไม่มารบกวนอีกเลยนั่นก็ก็ดีอันนี้ก็เลยมันนี่แหละผลที่เกิดจากการปฏิบัติชาำจริงมันอย่างนี้เวลาคิดยังเวลาไม่มีเหตุการณ์มันยังไม่รู้อย่าทำมันยังไงไช่มีเหตุการณ์มันไม่รู้จะ ได้ดบีได้หเปล่าไม่รู้เหมือนกัน เ, เพราะจอเหตุการณ์มันจะทดสอบเราแล้ ว, ลวได้ดีบีได้เปล่าปล่อยวาได้เปล่าใช่ครับแต่ว่าเนี่ยโยมก็มีเรื่องจะมาแบบขอคําแนะนำพระอาจารย์เพราะมันมีเรื่องที่เหมือนแบบเราพยายามจะเล็ดอีกบีแต่เราก็มันจะเล็ดอีกบีไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวคือเป็นโยมโยมพ่อของโยม คือยงพ่อเนี่ยก็จะศึกษาอ่านพระอาจารย์น่าจะเคยจําได้เคยมาสนทนากับพระอาจารย์อยู่ครั้งหนึ่งท่านก็จะอ่านเยอะแล้วท่านก็มีความรู้สึกว่าหน้าที่ของท่านอ่ะจะต้องเผยแผ่ธรรมะคือชอบธรรมธรรมทานมาจังแต่ก่อนก็เหมือนเล่นหนังสือขึ้นมาแล้วก็พิมพ์แล้วก็แจกถวายก็ก็ดีอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ตอนเนี้ยเริ่มมารู้จก<ม>ักเอไอก็ไปคุยกับเอไอทุกวันเขานี้ก็บอกให้มันเขียนหนังสือว่าจารย์<ม>บอให้มันเขียนหนังสือธรรมะขึ้นมา นิยมก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะเขียนคือคือมันก็เหมือนมันไปไปเสิร์ชในฐานข้อมูลใหญ่ๆแล้วแหละเราก็รู้มันก็ประมวลขึ้นมาเป็นอะไรของมันทั้งเล่มหนึ่งก็มีความสุขเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะแบบทําออกมาเป็นหนังสือธรรมะทิมพ์เคยแพ์นิยมก็กังวลก็จ๊ะไม่รู้นิยมกังวลเกินไปหรือเปล่าคือมีความทุกข์ลึกๆอยู่ในใจว่ากลัวว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันประมวลขึ้นมาหรือจะพิมพ์ออกมาเนี่ยมัน มันถูกต้องไหมมันมันวอลิเดตไม่ได้พี่จังนันเหมือนแบบเครื่องจักรมันก็ไปกวาดมาอะไรมันรู้จักไหนบ้างแล้วก็ถึงแม้เราพยายามจะแบบเออลองถามเหมือนทักทักทุงนิดนึงแบบว่าเออนี่มันเป็นเอไอนะมันไม่ใช่แบบกระทั่งคนที่มีจิตในการที่ปฏิบัติแล้วมันออกมาจากภายในเนี่ยมันมันเหมาะสมเหรอกับการจะทําตรงนี้มันก็เลยมันก็เลยเป็นความทุกข์อยู่ลึกๆพี่จังลงโยมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆโยมควรจะไปแบบ เราก็ต้องศึกษาดูสิหรือว่าที่เขาพิมพ์มา น, นี้เราต้องอ่านดูส okay. ิเราจะรู้ว่ามันมันผิดหรือถูกยังไงเราไปกังวลโดยที่เรายังไม่ได้อ่านมันก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันก็ความยากคืออ่านมันหิวหิวมันก็โอเคเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าบางอย่างมันถูกหรือผิดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มี ความรู้ไปถึงตรงนั้นนะอาจารย์ที่ยงห่วงคือตรงนั้นมากกว่าช้าไม่รู้ก็ต้องปล่อยไปมันสุดความสามารถของเราที่เราจะไป อ, อไปทำอะายได้เป็นเรื่องของพ่อเขาไปเพร่อเขาอยากจะทำก็เรื่องของเขาไปยงก็แค่ห่วงว่าโอแบบจำใจห่วงก็ทำอะไรไม่ทำมันเป็นบุญเป็นกรรมของเขาตอนนี้จริงๆคิดมาถึงจุดนั้นเราก็ไม่คิดว่ า, าบาปหรือเปล่าพอเราไปคิดอย่างนั้นแวพระอาจารย์ เราปรมปคิดให้เราทุกไปเบาๆแล้วเราไม่อยากไปทุกข์กับเขาใช่นั่นแหละก็ก็เลยเหมือนแบบพอมาคิดคิด ก, ก็ถูกอว่างก้เราเป็นห่วงว่าต่อไปเดี๋ยวมันจะถ้ามันไม่ถูกเดี๋ยวนี้มันมีอย่างที่พระอาจารย์พูดตอนแรกว่าคารวาสอนธรรมมากมายเราก็ไม่อยากให้ไปเป็นแบบอย่างนั้นนะพระอาจารย์หมายกับว่าไปเป็นผู้สอนธรรมหรือเผยแผ่ในสิ่งที่มัน ยังเราก็ไม่มีความรู้เรายังไม่รู้อะดีกว่าล้วไม่ยังไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ไม่ถึงตรงนั้นอะ่ะมันมันก็เป็นดาบสองคมเราก็เลยเหมือนโยมก็เลยเหมือนมีนมความกั ง, งวลอยู่ลึกๆแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราแตงกับมุมหนึ่งพอเราไปพูดมันบาปหรือว่าไปขัดเขาทําบุญหรือเปล่าก็เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่กลายเป็น ส, นสิ่งที่แบบตีกันอยู่ในความนับไม่ได้เด็ดเบี้ไงนับไม่ปล่อย <laughs> <ะ>เนี่ย <laughs> ถือ ว, <laughs> <ๆ S 2> ว่าเขาเป็นพ่อ <laughs> เราเป็นอะไรเราอยู่ S <S ใช่อย่างอาจารย์พราะวังหัวเก็อยู่ยังรางว<ช>ัลเขาอยู่ใช่ถ้าลองลองลองคล้ายๆลองลองดูจะลองคุยก็ดูเข<ช> า, าฟังเราไหมถ้าเขาไม่ฟังก็ต้องปล่อยใส่ต้องแบบนั้ น, นก็คงต้องใช้แบบสูตรพระอาจารย์ว่าอถ้าเราได้พยายามแล้วก็ต้องอุเบกขาเทงใช่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเราก็ต้องวางใจเฉยๆอย่าไปทุกข์กับเขาใช่อย่าอาจารย์องก็อันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบ โอโหตอนแรกก็เอ๊ะทาไมตอนนั่งสมาธิแล้วมันเหมือนมันไม่สงบอะไรนั้นก็มานั่งหาว่าอะไรนะเป็นเหตุของความไม่สงบอะไรปรมาโอ้เนี่ยความกังวลลึกๆของเรานี่เรื่องนี้แน่ๆเลยเพราะว่าเราก็ห่วงอะไรงเงี้ยแล้วก็เลยมาคิดว่านาที่นี้องใส่ต้องลองขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ว่าถ้าเราแบบได้พยายามคุยแล้วแล้วก็พยายามที่สุดของเราแล้ว แล้วถ้าท่านก็ยังแบบยืนยันจะเดินเราเราสามารถจะแบบวางอุเบกขาได้ไหมมันบาป ก, กรรมไหมอาการที่เราไม่พย<ร>ายาม า, าทําเต็มที่นะ้วเหมืนคนคนคนเขาจะจมน้ําแต่เราว่ายน้ําไม่เป็นรรเราจะทําังไะเราโยนห่วงยางไปให้เขาแล้วเรา อ, อะไรไปให้เขาแล้วทําได้เท่าที่เราทําได้แต่จะให้เราลงไปไว่ายน้ำกับเขาเราว่ายไม่ได้นะ่อ โยมก็อ้ยอย่างนั้นก็สงสัยจะต้องก็คงต้องพยายามคุยจริงๆาา ก, งก็อ่านนะอาจารย์โยมก็อ่านมันก็อ่านแหละเที่ยวท่ามาๆก็เหมแบนมีบอกว่าว่าเนี่ยมันมันไม่น่าจะใช่นะก็พยายามจะทวงๆไปนิดนึงด้วยความรู้เท่าที่พอมีแต่มันมีสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่ยากอาจารย์พยายามก็ไม่ใช่เรื่องของเราอาจารย์ก็มาขอคำปรึกษาเราช่วยอ่านทบทวนดูหน่อยเป็นยังไงก็ว่าไปอย่างแต่อาารก็ไม่มา ไม่ไม่ไดยมาขอร้องอะไรแ ล, แล้วก็เราก็อย่าไปยุ่ ง, ขงเขาดีที่สุดว้าคําจริงๆคํานี้ของพระอาจารย์ขึ้นมาเล็กแต่เขาเนี่ยเขาได้มาขอคัดปรึกษาเราหรือเปล่าด้วยสมันไม่ไข อ, อเราอาจจะไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะอะได้ก็เลย่าจะต้องอย่า ง, งานั้นพระอาจารย์แต่ว่าก็เกาห่วงเพราะอย่างพระอาจารย์กล่าวตอนแรกเลยว่าออ้ยอย่าเพิ่งไปสอนดําเใครนะมันแบบจริงหังตัวให้มั น, <ๆ> ใ, หมนให้มันดูดพ้นก่อนดีกว่าแล้วจะ คำสอนจะเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นอย่างที่สุดจริงว่าอา<ม>จารย์นิยมเห็นด้วยเลยว่าแบบเราต้องทําประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อน<ม>แล้วค่อยยังประโยชน์กันต่อไปอะไรย่างงี้ยมันมันจะไปเดี๋ยวมันพอเป็นวิชาที่ถี่นะโอ้ยมันแบบไปคนละเรื่องเลยคนนี้ยุ่งใช่ไหมที่บ้า ก, ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาเคยเข้ามาฟังพระอาจารย์สองอาทิตย์ก่อนไปตรวจเออร่างกาย เจอมะเร็งระยะที่สามเขาก็มาร้องไห้อยู่นิดนึงโยมบอกว่าไม่ได้นะเป็นลูกศิษย์มีพ่อแม่ครัอาจาย์ึะมาให้อย่างนี้ไม่ทดนะเขาก็เก่งนะอาจารย์แบบว่านิดเดียวแล้วเขาก็แบบเข้มแข็ง ข, ขึ้นมาเขาบกว่าม เ, าเต็มตัวเราวร่างกายมีที่ตัวเราของเราใช่ค่ะก็เลยเขาก็เก่งเขาเลาบอกว่าเออเนี่ยดีแบบว่าความที่เขาก็มานั่งภาวนามาอะไรกันก็เราก็เห็นนะว่าเออเนี่ยแหละเขาก็ยังบอกว่าเป็นผลของการที่มา มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเมื่อไนเขาไม่น่าจะแบบตั้งหลักได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าไม่เคยไม่เคยตัวเองจะตั้งหลักได้อาจจะผลอสติปั๊บหนึ่งแล้วพอได้สติก็หนึ่งใจกลับมาใช่ค่ะได้้ปัญญากลับมายังเพิ่งคิดว่าเออหนึ่งเนี้ยก็เห็นเขาแล้วก็คิดว่าบอกว่าเออเวลาเวลาเราเป็นคนนอกเราก็แบบให้กำลังใจได้แล้วก็คิดเออถ้าเราเจอข้อสอบบ้างเราจะ ต้องลองดูว่าจะได้อย่างเขาไหมต้องเจอนหน้าเราบอกตัวเราต้องเจอนหน้าต้องเจอ <c oughs> พร้อมให้ได้ตาท่านมีหนังสือแล้วทําชุดเตรียมพร้อมเนี่ยก็ <c oughs> ล, ลูกศิษย์ก็ไปมาแรงแล้วไปขอธรรมะไปอยู่ที่วัดอยู่ประมาณสามเดือน <c oughs> แล้วก็เมตตาไปแสดงทาให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้เนี่ย <c oughs> นั่นท่านนี้สำคัญเราต้องคิดว่าเราื่องนี้แน่เละพระอาจารย์อย่างนี้ถ้าใครเป็นน้องมาแรงเมตตาเนี่ยไป ไปเสิร์ชหาธรรมะชุดเต็มพ่อมาอ่านได้มาฟังได้ค่ะอืมคนที่เขาเป็นก็ดีนะจ๊ะเขาแบบใจเขาเข้เขแขมแข็งที่แบบรู้เขาต้องไปถาตรงไหนเพื่อจะทําให้ว่าละสุดท้ายแบบไป<อ>ไ<ด>สบายสบายชัางนี้แบบมาอย่างแฮปปี้ใช่เนี่ยแฮปปี้อ่ะดูว่าต้องทิ้งอะไรรู้ว่าอะไรเป็นเรา อ, อะไรไม่ใช่เราการปล่อยวางสํงคาคัญได้เป็นสุขอย่างยิ่ง อันนี้จะ ว, ว่าแตามม่สังขาราอืุปดาวยะธรรมิโนสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาการบ่อยวางสังขารได้เป็นสุขอย่างเย็วูปสัสโมสุโคใช่ครัอาจารย์ไม่ใช่ของเราไปแบกมันทําไมไม่ใช่ตัวเราเท่าหน่อยเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เอามา ม, มารับใช้เราใช้เรามาใช้มันชั่วข้าวถ้าไปหลงไปเที่ยวมัน เป็นมันทั้งเองใช่ต้องแยกตัวเราออกจากมันให้ได้เราเป็นผู้ใช้เราเป็นยูเซอร์เป็นผู้ผู้ใช้ร่างกายแต่ไม่ได้เป็นร่างกายมมันเสื่อมก็ต้องปล่อยมันทิ้งไปละมันหมดสภาพต้องทิ้งทุกคนอ่เพราะพุจะเจ้เราต้องทิ้งร่างกายของท่านพระอรหันทั้งหลายก็ต้องทิ้งร่างกายอไม่มีใครเก็บไว้ได้ทุกคนใช่ถูกเลยพระเจ้าเนี้ยเพราะว่า มันวันใดวันนึงก็ต้องอย่างงั้นแหละทุกคนต้องเตรียมทำข้าวบ้าเยอะๆเ่อถึงว่านั้นจะได้ผ่านสอบผ่านได้อย่างสบายสบา ย, บยเบื่อหรยอไนั่นแหละภาวนาถึงสำคัญมากว่าอาจารย์เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราพร้อมในวันนั้ น, นอืมวันนี้ก็มีประมาณนี้ว่าอาจารย์ยังคงพยายามปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์โอเคนะทาไปการรักษาธาตุขันค่ะอ่าคุณมริกา เวาที่ว่าฝนตกก็บอกนั้นนี่คุณมังลิกากับนมาตการเจ้าค่ะฝนตกยุบค่ะฝนตกท่วมไหมน้ําท่วมก็พืชผักที่ปลูกไว้ก็จมน้ําไปเลยค่ะก็เลยว่านี่อะไรนาะมันไม่ตัดเออมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยก็เลยว่ากองคุณไปเยอะนะครัอาจารย์ ก, ก็ก็หายไปแล้วก็ ก, ก็ยอมรับมันค่ะ แล้ ว, ว่าสิ่งที่ลูกได้ในในสัปดาห์นี้ก็คือการบริจาคทานพอให้ไปแล้วแล้วก็อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของมากมายแต่ว่าก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เราที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าเออเนาะการที่มาปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมการอภัย ใ, ให้กับคนอื่น แล้ว่ากันให้เหมือนได้พ่อจันว่าเมื่อเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเขาไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แต่เราซื้อของให้เขาเขาก็จะเห็นรอยยิ้มของเขาพอเราเห็นรอยยิ้มที่มันบริสุทธิ์ที่จริงๆของเขาด้วยว่าเราก็ภูมิใจค่ะพ่อจัอนก็นั่นแหละสิ่งที่ได้มาก็คือความพอใจแล้วก็ลูกก็ยังปฏิบัติอยู่ก็ไม่ได้มีคําถามไม่ไมยาอมให้ไปเรื่อย<ๆ> การแผนเมตตาเนี่ยแผ่ด้วยการการะทาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดนเจ้าค่ะอาจรยโอเคครับถุกตัก็น้าท่วมก็ท่วมไปก็ปนั่นแหละก็ได้อยู่กันไอยู่กันไปครับถูกคนชนะดาได้ยินหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ไหนศรชาในกรุงเทพกราบนาัสการเจ้าค่ะอาจารย์อยู่ศีรชาเจ้าค่ะ เดี๋ยนี้ยึดเสียชาเป็นที่พักก่อนนะเป็นที่ทำงานค่ะทำงานที่เนี่ยเป็นหลักอ่ะค่ะตอนนี้ค่ะผ่าจารย์ค่ะและ้วก็ก็ได้อยู่คนเดียวสบายดีค่ะผ่าจารย์ค่ะกลับไปแค่สุกสาร์าทิต์ค่ะอค่ะตอนนี้ก็เออก็ก็ใช้ชีวิตปกติ ธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ว่าได้ก็นั่งภาวนาทุกวันค่ะพระอาจารย์ทําให้ตอนเช้าก็ตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องตอนเช้านี่ทุกวันเลยทุกวันเลยน่าเกือบเกืบทุกวันนะคะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ระหว่างวันใช้ชีวิตก็ดูใจไปดูอะไรดูใจไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ให้มันทุกข์อะไรเงี้ยค่ะประคองประคองไปค่ะอย่าเย็นอย่าติดปล่อค่ะพระอาจารย์ค่ะยอมหยุดเย็น พระอาจารย์ ล, ล, ลูกทราบเลยค่ะพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องไหนเราพูดทั่วไปเราไม่ว่าเรื่องไหนธรรมะเหมันจามาทุกเรื่องนะพระอาจารย์ชอบให้รหัสรับค่ะเราไปชิดก<ท>ันเลยรหัสลั บ, รบเราพูดเราพูดของเปิดเผยนั้นเป็นความจริงมันเปิดเผยตลอดเวลาพระอาจา ม, มันไม่นับตรงไหนเลย ค่ะเราเป็นตรงกับความนับของเราว่ช่วยไม่ได้แล้วไหมครับอาจารย์ก็ค่ะรับทราบค่ะอาจารย์ค่ะอช่นะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ไม่ใส่มาหรือเปล่ากำลังคิดอยู่เลยว่าหนูจะเอาไปใส่อะค่ะอาจารย์ยวันนี้มันยังไม่ได้เตรียมของเอาใจทำมีกำลัใจอะไรก็ได้ทั้งนั้นอะ อ๋อค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะต้องไปเลยค่ะพ่ะอาจารย์ค่ะได้ค่ะพะอาจารย์อะไรก็ได้ทัางนั้นขอให้มันมีน้าใจกันแล้วกันทาด้วยน้ำใจค่ะค่ะพระอาจารยค่นความระลึกถึงตลอดค่ะพ่ะอาจารย์ค่ะสาธุค่ะกลับรบ้อมค่ะพ่ะอาจารย์คุณผู้เลยผู้อุดรธานีคุิเข้ามาครั้งแรกมั้งไปเข้ามาแล้วยัง ครับเคยเข้ามาอยู่ครับหลวงปู่ครับกับนำมัช ก, การครับหลวงปู่ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนเลยอ๋อครับอ่าพอดีอ่มีเรื่องกับเรียนทํหลวงปู่อ่าอ่านิดหน่อยครับหลวงปู่ครับคืออ่าทำยังไรจิตใจเราถึงจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในด้านการปฏิบัติภาวนานะครับหลวงปู่คือคือปกติก็เวลาปกติก็พยายามทำเองที่ ที่ที่บ้านนะครับทาตอนก่อนนอนกับตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็ก็เพราะเรียกว่าคือพอทำได้แต่ว่ามันไม่ได้ผลหรอกครับทีนี้คือพอไปอยู่ที่วัดไปไปไปอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่ท่านแบบเข้มงวดมากก็คือแบบก็คืออยู่คนเดียวอยู่กุฏิในป่าคนเดียวแล้วรู้สึกว่าเออมันเกิดคนรู้สึกท้อแท้หดหู่แบบเกิดความดาวทางอารมณ์นะครับหลวงปู่คือแบบ เหมือนแบบมันมันไม่มีกำลังใจในการทำอ่ะครับเหมือนหมายว่าโดยเฉพาะยิ่งไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์อู้ท่านอายุเท่าเราเนี่ยคือท่านแบบบรรลุธรรมแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราเนี่คือยังติดลบอยู่เลยท่านถึงร้อยแล้วเรายังไม่ไม่ไม่ได้แม้กระทั่งระดับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขตรงนี้ได้ยังไงครับหลวงปู่ครับต้องาขาดสติแล้วต้องฝึกสติก่อน <c oughs> พุโทโธไปทั้งวันเลยทำพุทโธไปทั้งวันเดียวแล้ว จิก็จะมีพลังขึ้นมามีกําลังเวลาไปอยู่คนเดียวก็จะไม่เหงาจะไม่รู้สึกคอนโทรลจะมีความสงบมีความสงบยังต้องฝึกสติให้มากๆาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะลองทําดูพุตโธก็ได้แล้วเฝ้าดูร่างกายก็ได้ตอนนี้ร่างกายกําลังทำอะไรก็อยู่กับร่างกายไปอย่าป่อให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ อ, อยู่กับการกระทําของร่างกายไปหรือพุตโธไปก็ได้ พอได้ไปเพอได้ไปเห็นท่านปฏิบัติจริงๆอะไรอย่างเราเรรู้สึกว่าท่านมีสติกังไงท่านอยู่ได้ครับรู้สึกเสียดายเวลาในชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาอู้เวาไม่มีสติจริงตกิเลยมันมันจะมาคอยดึงให้เราต่อไปบ้านกลับไปทํานู่นทํานี่อยู่อยู่อยู่คนเดียวรู้สึกเศร้าเหงาไม่รู้จะทําอะไรครับครับทุกสติเยอะๆครับ แล้วอีกอันหนึ่งที่อยากอ่าเรียนทำหลวงปู่นะครับเคยอ่านประวัติของของค์หลวงปูท่ที่อ่าตอนช่วงที่หลวงปู่ลาออกจากงานแล้วมาปฏิบัติอยู่คนเดียวที่ห้องแถวนะครับที่หลวงปู่ให้นั่งนั่งอย่างเดียวโดยที่ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิใช่ไหมครับคือผมอผมก็ <ผม S 2> อยากลองศึกอยากลองทําแบบนี้บ้างนั่งหายเขายีย่มานั่งทัต้ตัวแล้วก็อย่าไปอย่าลุกจักที่นั่นไปถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนได้ อ๋อครับไม่ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิใช่ไหมครับก็ จ, บจะนั่งสมาธิก็ได้จะใช้สติก็ได้ะจะพูดโธรก็ได้หรือจ ะ, อะสู้กับความอยากที่อยากจะจะลุกไปทำนั่นทํานี่ให้ได้ก็แล้วกันครับแต่อ๋อครับห้ามฟังเท็ดด้วยไหมครับหลวงปู่ครับไม่ไม่ฟังเท็ดไม่อ่านหนังสือไม่ เ, นะเอะไรใช้สิ่งที่มีอยู่ในใจเราอย่างเดียวออใช้สติใช้ปัญญาครับ คือเราต้องการตามความอยากหน่อยความอยากของเรามันไม่รู้จักอิ่มจักพอที่อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นอยู่ทางนั้นก็อยากจะกลับมาทางนี้กลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันเพราะว่ามันไม่มีสติมันไม่มีกําลังที่จะสู้ความอยากพออยู่ทานั้นนิดแป๊บเดี๋ยวก็เบื่อแล้วต้องมาทางนี้พอมาทางนี้ตั้งแป๊บก็เบื่อแล้วไปทางนู้นโดยไม่มีสาเหตุอะไรเราก็เลยบอกอ่าเราต้องสู้ความอยากตัวนี้หน่อยให้มันอยู่กับที่หน่อย มันน <ider> er the ั no well uh, ่งเฉยๆถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินได้คถ้าหิวน้ํา็เอาน้ามาตั้งไว้ไม่ต้องไม่ต้องเดินไปยืเดิมน้ํเอาน้ํามาตั้งไว้ที่เก้าอี้เลยที่เราข้างๆที่เรานั่งเดินเว้นว่าจนถึงห้องน้ำก็ค่อยเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ให้ไปทําอะไรพอเข้าน้ําเสร็จก็รีบกลับมาที่เดิมต่ัอ๋อครับก็นั่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่นั่งเหมือนเดิมให้มันได้กี่ชั่วโมงได้ยิ่งดี แล้วความหยามจะอ่อนลงอ่อนลงเบาลงต่อมาเราจะอยู่อย่างสบายครับอ่ออ่าอีกคําถามหนึ่งครับหลวงปู่ครับออ่การที่อ่าเราปฏิบัติธรรมแล้วแบบบางทีเราภาวนาอ่ไม่ว่าจะเป็นแบบภาวนาในในแพทเทิร์นของการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอ่าทีนี้แบบบางทีมันรู้สึกเกิดความเมื่อยล้ามันเกิดความเหนื่อยแบบบางทีมันเห็นเพื่อนแบบ ไปดูหนังอะไรเงี้ยถ้าสุูว่าแบบเราไปเสพแบบรูปเสียงกลิ่นรสแบบนั้นน่ะในช่วงที่เราภาวนาถือว่าเราถอยหลังไหมครับบ๊วบเราเนาเนายกทงขาวแล้วมาสู้กับกิเลสแล้วยอมแพ้กิเลสอธิบายก็เพื่อเอาชนะความอยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังฟังเพลงครับอืะเราไปไปถ้าไปทําตามความอยากมันก็แพ้นะครัโดนน็อกแล้วพุยห้ยยกนั่นก็หน่อยก็น็อกแล้ว แต่บางทีจิตใจเราแบบบางทีแบบเห็นเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบบางทีมันก็เ <ไป S 2> ชื่อถือท่านท่านยาก่บบางทีพยายามหาเหตุผลแต่เวลาไปทางกิเลสโอรู้สึกว่าแบบมันทำไมไปง่ายจังเลยผมก็าก <c oughs> ิเลสมัน ม, มีแรงเยอะไนงะเราย<อ>ังเราอย่ง อ, ยงอ่อนอ่อนไปกับมันอยู่อืมครับแสดงว่าคนที่จะปฏิบัติทําก้าวหน้าเนี่ยคือไม่ว่าจะอยู่ทางโลกก็ตามเนี่ยคือ คือต้องต้องไม่ไปหาความสุขไน่ีใช่ไมมีความสุขมีมีกำลังสู้กับความยาของกิเลบอืมแม้กระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสแบบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามใช่ไหมครับห้ามห้ามหมดอ๋อการปฏิบัติถึงจะแบบบางทีแบบไปภาวนาบางทีก็มันมันมันก็เกิดเหมือนแบบปัญญาอย่างหนึ่งหรือว่าแบบแบบอาจจะเคยได้ยิน หลวงปู่องค์ไหนเทน่มันรู้สึกเหมือนมีคนมาบีบคอเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบตัวกิเลสตัณหาเนี่ยมันมันกำลังกินเราตลอดเวลาใช่ไหเราตลอดเวลาใช่ไม่รู้ว่าเออเราไปทําอะไรผิดมามันถึงแบบเราถึงเกิดอยู่ในสภาวะอันนี้เหมือนโลกใบนี้ไม่มีเซฟโซนของเราเลยบางทีเราเกิดแบบพิจนารณาไปพิจนาแบบบางทีเอาแ ต, แต่ใจไม่มีวนังนะครับหลวงปู่จิตใจมันอ่อนทําไมรู้สึกหดหูรู้สึกท้อแท้ทําไมเราเกิดอยู่ใน โลกอะไรเนี่ยไม่มีสติไงต้องพยายามฝึกสติให้มากๆครับอ๋อครับโอเคนะขอบขอบพระคุณของปู่มากครับลองฝึกสติดูแต่พูดโทไปทั้งวันทั้งคืนเลยครับพุดโธก็ได้เฝ้าดูร่างกายก็ได้นครับถ้าถ้าสุว่เราเหนื่อยจากพุทโธรเนี่ยเราจะดูการดิูเม็ดของร่างกายก็ได้ใช่ไหมตอนกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าว อำหน้ําก็อยู่กับการบน้ํามอย่าให้ไปที่อื่นอ๋อครับถ้าและทีนี้คือถ้าสุว่าแบบเราบังคับให้มันอ่ถ้าสุว่กรณีที่เราไม่ได้นั่งสมาธินะครับเราบังคับให้เราแบบอพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายอะไรเงี้ยอันนี้ด้านนะครับลบดูโดยที่เราไม่เคยไม่เคยเจอจิตที่มันสงบเลย แต่ว่าเราก็สามารถพิจารณาได้ใช่ไหมครับได้นะก็ต้องดูว่าพิจารณาแล้วฟุง้งหรือเปล่าถ้าฟุ้งก็ก็ต้องหยุดมันแร้วพิจา<อ>รณาแปบไปคิดเรื่องเหือนต่อไม่ได้ครับถ้าคิดอยู่ก็เรื่องเกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลาก็ไม่ ก, ก็ก็ใช้ได้ครับครับแต่ว่าในด้านการนั่งสมาธิหรือด้านการเดินจงกลมผมก็ลงใจกับคําพูดของบัวอาจารย์ว่าให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธตลอดก็ไม่ได้<ข> ไม่ได้ยึดเอาสิ่งอื่นครับคือครับคือถ้าคิดก็คิดให้มันให้ให้มันพอมันพอมันน้อยที่สุดอ่ะให้มันพอสามารถดึงมาอยู่กับพุโทโธได้อ่ะตะล่อมครับอ่าครับแล้วก็พุโทโธต่อไปเรื่อยๆครับใช่ครับโอเคนะครับครอพระพุทธองปู่ ค, ครับอ่า ค, คุกอฟเดนกอฟกอฟัฟฟ่ทำไมกาฟฟี่กับก๊อฟมันมาด้วยกันยังไง ชื่อเต็มชื่อกาแฟกอลฟอยังไม่เปิดใหม่เลยใช่ใช่ครับกาแฟกอล์ฟครับทำไมถึงต้องสองตัวเพื่อนตั้งให้สมัย uh huh. เรียนมาหาลัยครับ uh huh. ก็ส่งการบ้านก็ไปออาหารมาครับ <c oughs> วันแรกวันแรกก็อนอาหารก็ได้ก็เหมือนเหมือนเรานั่งดู ความอยากมันตีกันนะครับตีกันหลายชั่วโมงรู้สึกว่าเราก็ใช้สติใช้ปัญญาเยอะแล้วก็สิ่งที่เราเคยกินมามันจะมีความคิดคําพูดของคนอื่นอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็มันก็ส ง, งบลาภภาพลงแต่ว่ามันจะเห็นได้ว่าความคิดของเราอ่ะมันตีมันตีอยู่บนตัวเราครับตีสองสองสาวันครับ พอจากนั้นมาเราก็เริ่มสงบลงครับก็น้ำหนักก็เริ่มลดลงไปหนึ่งโลก็แล้วก็กค่อยๆทำมากินแค่สองมื้อครับกินแค่พันในสี่ชั่วโมงแ ล, แ, ลแล้วก็ลดลงมาอีกสี่ขีดสามขีดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายโลง่ลงๆเบาๆแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอาหารอะไรเท่าไหร่ครับไม่ตามมันไม่ได้ปังไม่จะขับขึ้นไปใหม่ เดี๋ยววันดี ก, ด ก, ดก็ขึ้นอยากจะกินขึ้นมาอีกต้องต้องอาศัยเวลาต้องต้องพบประคองอย่าประมาณอย่าประมนะสภาวานะาวานี้ไปสักสักเดือนนะครับต้องพยายามรักษาสิ่งที่เราทำได้อย่าให้มันถดถอยนะมันมหาาัศจรรย์ครับอาจารย์ตอนที่กิเลสบัน ต, ตีกันบนหัวใจครับก็นอนก็อนนะฮไม่บ่อย ก็ก็รู้สึกโล่งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็รู้สึกว่าอาหารมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเออถ้ามีอาหารมันจะเป็นภาระร่างกายมันจะหนักอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันร่างกายมันเบาครับดีทำไปน ะ, ไ ด, ะดได้กําลังใจแล้วใช่ไหมเห็นผลแล้วก็ได้กําลังใจได้กันเลยแต่พระอาจารย์ทุดใจญ่เลยนะแล้วก็เมื่อคืนก็คิดถึงธรรมะพระอาจารย์แล้วก็เริ่มเอาธรรมะที่ที่พระอาจารย์เทศรวมกันแล้วก็มารวบรวมแล้วก็ ค่อยๆขัดใจไปให้มันสว่างให้มันใสแล้วก็เก็บรายละเอียดใจไปเรื่อยอะไรที่มันเป็นที่เรายังหม่นหมองแล้วก็มาปัดแล้วก็มาเขาเรียก ว, ว่าอะไรนะทำใจให้มันบริสุทธิ์นะครับแล้วก็แผ่ออกไปหรือว่าค่อยๆมาตรวจตรวจดูใจทุกวันนะครับว่าอันไหนอันไหนไม่โอเคอันไหนโอเคอะไรนยครับทําให้รู้สึกว่ามีพลังใจครับอ่าดี ครับ <Okay S 2> ท่น <na. S 2> ทนานเหมือนอย่างครับอืมคุณหมอสุทัศนีธรรมสการ์ตพัชร์อาจารย์เจ้าค่ะลูกผูม้มีคำถามค่ะโอเคปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์โอเคคุณครูนิงคุณครูนิง่ะธรรมสการค่ะอ า, าจารย์ก็ ก็ยังปฏิบัติทุกวันวันนี้ก็ได้สิ่งหนึ่งคือไปกับกับลิงนะครับกับ<ม>หานนะครับอาจารย์ก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อรักชอบสิ่งใดแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่มีหนูก็แล้โอ้ย อ, อันนี้ใช่เลยก็เลยแล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าไม่ยึดติดกับอะไรมากอย่าไปรักอย่าไปชอบมันก็จะไม่ยึดติดพอไปรัก่าชอบมันก็จะยึดติดทันที อ่าคือไปรักไปชอบก็จะเป็นทุกมกค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเฉยเฉยก็คือบ<ท>า <ำ S 1> คนที่เราคนที่เราไม่รักไม่ชอบเราก็ไปเรก็เฉยเฉยเขาจะเป็นจะตายก็ไม่ใช่เรื่องเราอ่าอาจารย์ก็ตั้งแต่ได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติมาก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่า ดีขึ้นเยอะอะค่ะพระอาจารย์ในเรื่องของจิตใจในการรักษาใจของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะพระอาจารย์ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานค่ะพระอาจารย์เป็นส่วนทํางานที่สุดของชีวิตเราค่ะค่ะพระอาจารย์พอเห็นทั้งคนแก่และเด็กบางทีแย่งของกันแย่งผ้ากันเก้าสิบเอ็ดกับห้าขวบหนูก็เลยนั่งกินเลยไม่มีอายุนะกินเลยไม่มีอายุ ค่ะพระอาจารย์ก็ทำให้เราโอเคเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้รู้แล้วก็ได้อยู่ด้วยมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราต้องปฏิบัติในตัวของเราเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะพระอาจารย์ในสิ่งนี้ mm hmm. อ่าไม่ได้ต้องคาดหวังอะไรอ่อ่า <Okay. S 2> เขาไม่มีอะไรกับอาจารย์ <Okay. S 2> หนูก็ต้องปฏิบัติต่อไปกับอาจาราจย์ค่ะ้สุคทีเชิญบางทีต่ออันนี้อยู่ที่เชลล่กออ็อยู่งเทพแล้วมาตรการครับอาจารย์ออยู่ที่เชลโล่ครับมาพามาดูนี่ครับพอ น, นอแล้วครับพอดแล้วเหรออ่าพูดไม่ใช่อมองลูกวันนี้อาจารย์ูไม่ช่าาย มาสวัสดีไม่มาท่านสักัดพระอาจารย์ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋แข็งแรงก็เดี๋ยวพาไปตักบาตเหมือนเดิมครับพรอาจารย์โอเคท่านนังไม่เห็นเห็นไหให้ทั้งม่ทั้งลูกมีสุขภาพแข็งแรงนะขอบพระคุณโอเคตาทุกขาพเจย์ครับเห็นนะเห็นนะท่ันดีตอนนี้ก็เลยไม่ได้อยู่พิชเรโลกเลยร่างงานมาเลยดูมากรุงเทพครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทที่กรุงเทพครับ เอ่าโอเคพิ่งทอนได้กี่วันนะทอดเมื่อวานครับอาจารย์ครับวันนี้ครับแล้วฝากฝากจิ๊กจ๊ตัดบาดท่านาทุกวันนะครับอาเนี่ยอโอเคเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขนะค่ำงย็นเป็นสุขโอเคครัวขอบคุณครับอาจารย์ครไว้ไว้เข้าเจอกันว่างเมื่อไหร่ไดมาได้ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรอฉีดวัคซีนนิดนึงคอแข็งแล้วเดี๋ยวพาไปครับ อ่าโอเคคุณอรชัยคุณพันชัยเหร อ, ค, อ, หรอครับการบรารการพระอาจารย์นะครับ อ, อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่สมุทรสาครครับมีอะไรไหมก็ตอนนี้ก็เข้ามาครั้งที่สองนะครับก็เหมือนกับได้ฟังทำมาพระอาจารย์ตอนทำงานตอนขับรถไปทำงานนะครับแต่พอไปทำงานก็จะ เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนะครับสำนักงานธนายก็จะเจอคนทะเลาะกันอยู่กับสานวนคนทะเลาะกันคนร้องเรียนกันเพื่อนร่วมงานก็มีภาวะเครียดนะครับเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นพอกลับถึงบ้านก็ก็มีฟังธรรมพระอาจารย์ตอนกลับมาบ้างครับนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงกลับถึงบ้านทุ่มสองทุ่มครับก็ต้องมาฟังข่าวครับกับกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ครับข่าวก็ ข่าวเหตุการณ์บ้างเมืองครับคนฆ่ากันทะเลาะกันทำร้ายกันอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่ามันเยอะอยู่เหมือนกันครับก็ได้ธรรมะพระอาจารย์ช่วยไว้ อ, อยู่ครับช่วยเป็นที่พึ่งของใจให้เรารสุขภาพดีขึ้นครับแต่บางบางวันก็มีแบบติดลบบ้างอยู่ครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีอุบายแก้ไข ย, ยังไงได้บ้างครับพอดีมันกอ็อย่าไปอย่าไปอย่าไปเอามันเข้ามาในใจเรา รับู้แล้ว ก, ก็ปล่อยมันผ่านไปว่าอเนี่มันก็เป็นเรื่องของโลกปกติของโลกเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็น้ําท่วมเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้คนก็เหมือนกันคนจะทะเลาะกันข้ากันเอาละเอาเปรียบกันอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปรับรู้แล้ว ก, ก็ปล่อยวางอย่าไปใส่ใจอย่าไปหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นหรโลกมันเป็นอย่างนี้มาตลอด อครับกับขอบพระคุณพ่ออาจารย์มากนะครับอดูให้เป็นอนัาตาไปเราก็คุมบังคับก็ไม่ได้เราจะเป็นจะจะดีจะเชื่อมมันก็เป็นเรื่องห้หามกไม่ได้ดูแล้วรู้แล้วก็ปล่อยวางนับรู้แล้วก็ปล่อยวางอยาอารู้แบบอย่าไปคิดว่าทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นทําไมเขาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่าไปพิภาควิจารณ์แล้วรู้เฉย ขอบคุณพระอาจารย์มากครับครับทุกวันนี้จะส่งคถามของที่เข้ามาในห้องนี้หนึ่งเรืไปที่คุณล้าต่อและคุณล้าชจปรับนามสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะคําถามแรกจากคุณช็อกเทรดหุ้นเป็นสัมมาอาชีพไหมครับน้อมปรับนามสการพระอาจารย์ครั บ, ก, รบร ก, รรก็เป็นการซื้อขายสินค้า อ, อย่างนั้นเอง ชื่อข้าวก็เทรข้าวชื่อหุ้นเทรดหุ่นก็มีทั้ง เ, เป็นสินค้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมคำถามต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมตอนนี้ท่องพุโทโธแต่ท่องไปก็ไม่เห็นพุโทโธไม่รู้สึกถึงพุโทโธรู้สึกว่าพุโทโธไม่มีตัวตนให้จับ แต่ถ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูท้องผ่องยุกก็จะเห็นชัดขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติค่ะโดยการดูดูร่างกายนี้มันเราใช้เปนร่างกายเป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปลยมาในาาระหว่างวันเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทาอะไรต่างๆเราก็เฝ้าดูร่างกายไปก็ได้ <S <S 2> <S 2> แต่เวลาเรานั่งสมาธินี่เราต้องเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกหรือถ้าเราจะใช้พุทโธนี่เราก็ใช้พุทโธได้ทั้งวันลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราทำอะไรก็คอยฝึกท่องพุทโธอยู่ในใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิเราก็พุทโธพุทโธต่อไปเราไม่ได้พุทโธเพื่อให้เห็นตัวพุทโธเราพุทโธเพื่อให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบไม่ให้ใจเราคิดอะไร ให้ใจว่างั้นอย่าไปพุโทโธระหวังจะเห็นตัวพุโทโธโผลดขึ้นมาไม่มีหรอกคถามต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันทราบว่าคนเราเกิดมาก็ต้องทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดไปจนวันตายทำอย่างไรไม่ให้ทุกข์คะกราบขอพระคุณค่ะก็อย่ามาเกิดเลหยุดความอยากต่างๆเพราะถ้าเกิดมันก็ต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องทุกข์กับมันก็ได้เราก็ทําไปตามมีตามเกิดไปอเลี้ยงดูมันไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายอย่างนี้ก็เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ทางที่สุดก็อย่ามาเกิดเลยดีกว่าเมื่อไม่เกิดแล้วมันก็ต้องมันไม่ต้องมาทุกข์กับมันอย่างอย่างถาวรแต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่อยอยก็อย่าอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปถือว่ามันตัวเราของเรา เลี้ยงดูไปตามตามอัตภาพอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายนำถามสุดท้ายกับนมำสการพระอาจารย์ค่ะการทําบุญโดยเราออกเงินค่าของที่ทําบุญฝากคนไปซื้อแล้วฝากถวายเราไม่ได้ซื้อเองไม่ได้ไปถวายเอง บุญของเรากับบุญของคนที่ช่วยซื้อและช่วยไปถวายจะมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรคะขอบพระคุณคะ่ะอ๋อเป็นบุญคนละอย่างทําทานเราจ่ายเงินนี่เรารกว่าเป็นงานให้ทานส่วนคนที่เข้ามาช่วยเราก็ เ, าเป็นการช่วยรับใช้ผู้อื่นเป็นบุญคนละอย่างกันอันนี้สองต่างกันไปถ้าเราทําทานพบหน้าชาติหน้าเราก็จะได้เงินทองกลับคืนมาแต่คนที่มารับใช้ช่วยหรือเรา หน้าชนหน้าก็จะไปมีคนมาช่วยช่วยเหลือเขารับใช้เขาแทนเนมันมันมันบุญคนละชนิดกันเขไหโอเคโอเคหมดแล้วนะถ้หมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสลหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ